بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و ع ل ع ل ه وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาและประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนอันกุรอานพร้อมกับศึกษาความหมายทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละก็ดีใจวันนี้ได้กลับมาทำหน้าที่แล้วก็พี่น้องก็มาเรียนกันเหมือนเดิมนะอย่าหลังจากที่เราหยุดกันไปสองอาทิตย์นะครับครึ่งเดือน ก็คิดถึงรอเขาเรียกตัวอยู่เพราะว่ามีทีหนึง่งเขาก็จะจองเหมือนกันฉันบอกไม่ได้ฉันต้องรอเขาก่อนนะเพราะที่นี่สอนประจําที่ศิลปะวัฒนาเขาก็จะเอาไปสอนสัปดาห์ที่ห้านนี่อันนี้เข้าท่องกาอาทิตย์ที่ห้ามีห้าอาทิตย์นะนเดือนนี้มีห้าอาทิตย์ก็มาสอนตรงนี้นะครับอัธรรมดุริล่ะแล้วก็เบสบาดีแล้วนะครับผมแข็งแรงแล้วนะ ัมดุลิละแล้วก็เป็นการพักให้พี่น้องได้แสวงหาขําคืนแรยต้นก็ดัดนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็น่าจะเป็นเสาร์หลังจากวันอีดจะได้ไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติกันอะไรกันนะครับก็ทำดุลีละและเสาร์นี้ถ้าใครถือสินอดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเริ่มต้นปั๊บเนี่ยจะสื่อเลยเนี่ยได้ไปแล้วหกวัน แต่ของฉันเนี่ยไปนับวันจันทร์นับวันจันทร์เป็นวันแรกเพราะว่าวันจันมันบทสุนทรใช่ไหมแล้วก็เริมวันนั้นวันแรกแล้วก็บอกกับภรรยาบอกเดี๋ยวจันแล้วพูหันเลยแต่ไปไปมามจันทร์แล้วต่ออังคารพุดยาวมาถึงวันเนี้ยก็ครบหกวานวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็เลยยังถืออยู่นะขออภัด้วยจะได้หมดภารกิจถือสินอดในเดือนเชลวานนะก็ทำดีแล้วพี่น้องครับขึ้นอยู่กับพี่น้องบริหารเลย ขอให้เดือนอยู่ในเดือนชาววันแล้วกันแอนก็ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่บางคนก็อาจจะเว้นเสาร์อาทิตย์เอาเฉพาะจันทร์เพื่อละหัดบางคนก็บอกว่าเอาเอาจันทร์เอาจันทร์ถึงสุกบางคนเอาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็มีก็แล้วแต่ขอให้อยู่ในเดือนชาววันแล้วกันนะครับภาพผลของมันก็คือเท่ากับถือสินอดทั้งปีนะเท่ากับบวชทั้งปีเลยนะก็ ให้เรารักษาสุนนะข้ อ, อนี้อีกหกวันแล้วก็ทําง่ายเพราะว่าเพิ่งออกจากรอมฎอนมากี่กระพงกระเพาะมันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าท้างเท่าไหร่ยังบวดง่ายอยู่แต่ถ้าเว้นนานๆสักอาทิตย์หนึ่งกินจนกระทั่งเต็มที่แล้วบางทีเริ่มยากละอ่าเพราะเราชินกับการทานอาหารตอนนี้ยังชินอยู่กับรอมฎอนเนี่ยจะนึกเลยต่อเนื่องมาเลยจันทอาคารพุธบุรหัดสุกเสาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับวันสุดท้ายละนะอ่ะเดี๋ยวเรามา เรียนกันต่อนะครับอยู่ในซุระ อ, อันนิซานะครับแปลว่าผู้หญิงนะซุระที่พูดถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยมีสองซุระด้วยกันซุระแรกเรียกว่าซุรออนิซากูบารอก็คือซุรออนิซ่าเนี่ยแหละเพราะว่าหลักการของผู้หญิงเยอะมากในนี้อีกซุรอหนึ่งชื่อว่าซุระ อ, อัตตอลากแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าร้างซึ่งมีความ ซึ่งถูกเรียกขนานนามว่าซูรตุนนิซะซุกรอเป็นซูระที่เกี่ยวกับผู้หญิงรองลงมาจากซูร้อนี้ซูร้อเนี้ยชื่อกุบรอเลยคือเป็นเรื่องราวกับเรื่องของสตรีซะส่วนใหญ่นะซึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายดังนั้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับสตรีที่จะต้องศึกษาซูร้อนี้ให้มากๆเพราะการที่ท่านทั้งหลายสตรีทั้งหลายได้จะได้เข้าสวรรค์นั้นแน่นอนต้องรู้ ขอบเขตของตัวเองบทบาทและหน้าที่ท้าวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่โลกเราวุ่นวายก็เพราะดิไม่ทําตามหน้าที่ผู้หญิงไปทําหน้าที่ผู้ชายผู้ชายไปทําหน้าที่ผู้หญิงผู้หญิงละเลยหน้าที่การเป็นภรรยาที่ดีสามีไม่ทําหน้าที่มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดทําเกินหน้าที่แล้วก็ทําไม่ตรงกับนาที่แล้วก็ทําไม่ครบน้าที่อิสลามของเราสอนให้ทํา ตามหน้าที่และอย่าทำเกินหน้าที่เพราะถ้าทำเกินเมื่อไหร่มันก็วุ่นวายเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้เรามาศึกษาอายะที่17บเจสิบหนะครับ16 17 18 19 20็ดิบปสิเ้ายี่สิบชหอจนกระทั่งหมดเวลาของเราถึง11บเนาฬิกานะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะเป็นแม่บทของอันกุรานนะครับอ่ะพร้อมนะ أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الر الر الح لله رب العالمين ا ل ر ลอฮฺมาน ي รรฮิมมัลลิกิอ إ อุมิดดินอียาค์นะบุ อิห الصِّرَاطَ ا ل ْ م ُสْ ت َ ق ِ ي م ัตِ ر َ ا ลَ ا ل َّ ذ อ ي ن َ أ َตْ ع ل ْ ت َ عَلَيْهِمْ غ َิْ ر อ ا ل ْ م َ غ ْ ض ل و ب ِ ع َ ل َิْ ه ِ م ْ وَلَا ดั่วหลิ ل อ من มนอ ي บูบิ้นอา ا มนอาบ إنَمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ا ل ص ُّ ؤ َ بِجَهَالَةٍ ยาไปไหมอ่ะเดี๋ยวหยุดตรงอัลลอฮ์แล้วกันนะแล้วก็ลิลลดีเพราะว่าเราอายุเยอะกันแล้วกินข้าวเหนียวเยอะเริ่มจุกนะเลยข้าวเหนียวเดี๋ยวง่วงเลยดิอ่ะอย่าอย่าพึ่งทานข้าวเหนียวไว้ก่อนนะ<า>ดีป่ะ อ่าดีนะเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยที่ฉันให้หยุดตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันครบเนื้อหาพอดีเพราะว่าเราเนี่ยดูความหมายถ้าหยุดตรงอัลลอฮ์ก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ครบเนื้อหามันถ้าจบตรงบิจฮารา่าเนี่ยคือเป๊ะเลยเป็นวักในเวลาแปลอ่าอีกรอบหนึงแล้วกันนะหายใจลึกๆหน่อยอินเดม ตัวบทุ่งละอัลลอฮ์ลิลลาลีน่าย์อัลหมุลุนัสอูอับิจฮัล ثمّ يَتُوبُنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ف َََُِ อิคายตูบุลลอฮฺ عليهم ซุมอีรอบหนึ่งนะซุมไม่ตูบูเนมกอรีบิลฟาอุลาอิยตูบุลลอฮ عليهم قريبٌ فأولئك ي ت و ب ُ الله عليهم وكان الله ع ل ي م ح ك ي م ا وليس ت ا ل ت َ و ب َ ة ُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ อ, อีกรอบหนึ่งนะอยู่ตรง sayyad นะตรงนี้นะครับเป็นตาแบนนะตาแบนเนี่ยต้องอ่านเป็นตัวตาตาแบนกับตากลมถ้าตากลมอ่านเป็นตัวฮาใหญ่ถ้าเป็นตาแบนก็อ่านเป็นเสียงตาแล้วก็พ่นลม sayyad อย่นี้นะอีกรอบหนึ่งวลาอิสติ ตัวบทุ่นที่นั้นจะทำนสีย อี ذ ฮ ح ا ض ر أحد ห وم ا ตรงอาฮาด ห, หูมุลน ะ, ะบางคนจะอาจจะไปคุ้นกับคู่ตรงนี้เป็นหูหูมุลเมานะครับอายรอบหนึ่งนะ حتى إذا حضروا أحدهم الموت قال إ ن ّ ي تبطل الآن ولا الذين يموتون َ وهم َ كفار ُ อ้าย้อนอีกรอบนึงนะกอลอินนีตุบตุลอาเนาะและเล่าีน่ายมุตุเน้วะฮุมกุฟเฟรตุบตุลอาَนาะَละเล่าีน่ายมุ و ละพว ا ر أ ขฟั่รุเหَ ا าอิค่าอ อีกรอบนึงนะอรอบที่สองนะครับอินนามัตตบะตุอัลเลาะฮิลิลลาีอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูความหมายนะครับเพื่อให้เกิดความชนานาญในการอ่านนะอ่านสองรอบนะครับอินนามัตตอบะตุอัลเลฮิลิลลาีนยอมลูนัส สุอบิจัฮัลฮ์อบิจัฮัลซุมมยะตูนอรีบ ฟาอุ ك َยُายะทูบ ل ل َّ ه ُ عليهم มียะทูบุนَอมิคอรีบُนฟَอَลَยคายะทู اللَّهُ عليهم وكان َ الله ع ل ي م ً ا ح ك, ح ك ي م ا ً وليست ََ التوبة للذين ِ يعملون ََ السيئات หัต إذا ิละฮัลบราะฮะดะฮูมุลมาุอดะมาุกลอิตุบ ทูลอ و َาวลัลที่นั่ยมุตุนวะหُมคุฟฟَรَ ا ل ทุบทู ن َาณาว าอัตดนั่มอาัลีมามาดูความหมายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ Allah ได้พูดถึงความผิด ในกรณีของการละเมิดนะโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมทางเพศหรือเรื่องจีนานะครับครนี้แน่นอนแหละคนเราเนี่ยมันก็มีผาดพังกันได้ผิดกันได้นะซึ่งในหลักการศาสนาของเราเนี่ยข้อหนึ่งก็คืออัลลอฮ์เนี่ยทรงเมตตาและทรงให้อภัยดังนั้นการเตาบ้าเนี่ยจึงเป็น เงื่อนไขที่จะทำให้ความผิดที่เราเคยกระทำเนี่ยมันหลุดพ้นไปอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนมัตเตาบะตูอัลลลอฮีแท้จริงการสำนึกผิดกลับตัวกลับใจณนะที่อัลลอฮ์ทรงรับนั้นนะลิลลลดีนะยามาลูนสซูก็คือสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วหรือกระทำผิด บิดจาละโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะเท่านั้นหรือด้วยกับจาละหรือด้วยความโง่เขาก็เด็ดทำด้วยความไม่รู้ทำด้วยความเขาเบาบัญยานะเดี๋ยวค่อยดูอธิบายนะซุมมายาตูบูแนมินกอรีบบและพวกเขาก็สำนึกผิดกับตัวกับใจในเวลาอันใกล้ กอริเปวะเวลาอันใกล้อัลลอฮ์บอกว่าอฟาอูเลอิลยกายาตูบุลลอหูอาเลหิมชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาวกานัลลอหูอาลีมันฮากีมาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณครนี้อัลลอฮ์จะทรงรับการกับเนื้อกับตัวเนี่ยตราบที่ตราบใดที่ ชีวิตยังไม่ออกจากร่างนี่คืออัลลอฮ์ให้เวลาสุดๆเลยนะอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในอายะห์เมสักคู่นี้นะครับบอกว่าคนคนหนึ่งที่กระทำความผิดด้วยความโง่เขลาเบาบรราัญญารู้เท่าไม่ถึงการและเขาก็ทำการกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเวลาอีกไม่นานอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มาริกาจะมาเอาชีวิตเนี่ยก็ถือว่าอัลลอ์ตอบรับ มุจาหิตบอกว่าคำว่ากระทาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยรวมถึงทั้งเจตนาธรรมแล้วก็ไม่เจตนาอ่าและท่านกตาดาก็บอกว่าทุกความผิดที่ทำถือว่าเป็นความโง่เขลาเท่านั้นแหละอ่าจะจะเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยก็ถือว่าคือถ้าไม่เจตนาเนี่ยมันไม่มีบาปอยู่แล้วอ่าเพราะว่าไม่มีบาปอยู่แล้วแต่ถ้าเจตนาทำํำละมีบาปไม่มี นะตรงนี้ก็หมายถึงคนที่เจตนาทําบาปรู้ทั้งรู้นั่นแหละว่ามันผิดแต่อาจจะไม่เด็ตรดีนหนักถึงความรุนแรงเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันนะมีส่งข้อความมาแกก็เขียนมาในข้อความเลยเลิอดยาวเลยเขาบอกว่าอาจารย์ตั้งแต่ฟังบรรยายมาเนี่ยหนูรู้สึกหนูเป็นคนมีบาบเยอะเหลือเกินฉันก็บอกโอ้โหฉันรู้สึกทำเป็นเขาบาบหรือเปล่ายังไงล่ะเพราะ ชีวิตของเขาก่อนที่จะมาฟังบรรยายศาสนาเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งขรอมเท่านั้นเลยเขาเคยถูกหวยได้รางวัลใหญ่ด้วยเป็นล้านน่ะนะแล้วก็เอาเงินนั้นนะ่มาซื้อบ้านอ่าเป็นบ้านที่เขาอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็ถามว่าจะทำยังไงดีกับบ้านหลังนี้ฉันบอกใจถึงนะแต่ฉันตอบปั๊บเนี่ย ก็ต้องต้องต้องตามนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องขอมันมาไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องจัดการออกไปขายไปแต่เงินนั้นนะ่ต้องทาสารประโยชน์ไปเลย ก, ก็ขายไงแต่ได้เงินมาใช่ไหมแต่เงินก็ไปของเราไม่ได้นึกออกไหมบ้านเนี่ยขายไปเลยเงินก็ต้องเอาไม่เอาด้วยเอาไม่ได้ด้วยไง พราะถ้าเอาเงินมามันก็คือเงินทารอมอีกใช่ไหมเพราะว่าไงไงเนี่ยหรืออย่างนี้แล้วก็ยกยกไปมันก็ยากไงมันเพราะว่ามันมีคนอยู่การนี้เนี่ยไอ้ไอ้ข้อเนี่ยเฉิก็เลยบอกว่าแต่ศาสนาเนี่ยให้อนุญาตให้ค่อยๆเป็นค่อยไปแปลว่าคุณก็มีที่ทางอาศัยอยู่ก่อนก่อนนั้นนี่คุณมีใช่ไหมก็กลับไปอยู่หลังเดิมที่มันเล็กกว่าเดิมแต่มันก็คือการเสียสละการเขาเรียกว่ายอมสละในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อะไรนะเขาเขารู้เขารู้ว่ามันไม่ถูกเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แหละว่าไอ้ถูกเล่นหวยนะ่นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะบาปขนาดไหนเพราะฉันแปลเอาไว้ว่าทุกสิ่งที่มันงอกเงยออกมาจากของเคารอมเนะี่ยสิ่งที่เหมาะสมกับมันก็คือไฟนรกและชีวิตเนี่ยมีน้องจําเลยนะมี h a d i t บทหนึ่งที่บอกว่ายกมือขึ้น จนกระทั่งเห็นท้องแขนเนี่ยเดินทางเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาไม่ใช่ไม่ตอบรับดุอาอย่างเดียวนะไม่ตอบรับอามัณด้วยอลัลลอฮ์ไม่รับอามัณเลยนะคนที่ยุ่งเกี่ยวกับของขรรมที่ยังเกี่ยวพันกับของขรอมอยู่นั้นการเคลียร์ตัวเองให้พ้นของขรรมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะวัดใจหน่อยบางคนเนี่ยถ้าไม่จริงกับไม่ใจกับอลัลลอฮ์เนี่ยทําไม่ได้เพราะเห็นกับอะไรเห็นกับผลประโยชน์คราวนี้เขามีวิธีแหละ แต่อาจจะไม่ได้อยู่สบายเหมือนเดิมนึกออกไหมทอายแต่ฉันบอกว่าเนี่ยมันยังดีกว่าการที่เป็นเลือดเนื้อไะถ้าเป็นเลือดเนื้อนี่ลําบากกว่าอีกนี่มันเป็นวัตถุนี่มันง่ายเพราะวัตถุนี่มันเคลียร์ได้แต่ถ้ามันเป็นเลือดเนื้อของเรานี่จะเคลียร์ไงต้องต่อบัสอย่างเดียวเลยไม่รู้สามารถจะไปเอาไปขีดเดินไปได้ละนะก็นีเล่าให้ฟังว่าคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็อาจจะหมายถึงรู้ว่ามันผิดแต่ไม่รู้ว่ามันจะมากมายขนาดไหน อะไรนะไม่รู้ที่เขาคงไม่ ข, ข, ข, ขายแหละฉันก็ไม่รู้จะจะซื้อหรออ๋อหลไหลาหลากรณีนะนี่ฉันเคยมีระดับผู้การธนาคารมานั่งฟังธนาคารดอกเบีย้ยเป็นหัวหน้าเลยนะมานั่งฟังฉันแปลเรื่องดอกเบีย้ยบอกอาจารย์ฉันจะไปลาออกเดี๋ยวนี้แหละฉันบอกใจถึงใช้ได้ อ่าคือบางคนเนี่ยต้องให้เวลาเขาถอยนิดนึงต้องให้เวลาเขาถอยนะมันไม่ใช่แบบบางคนที่แบบหันหลังแล้วถอยได้เลยบางคนก็ต้องมีลู่ทางนะอย่างนักร้องสมัยก่อนเนี่ยบางโตรเราเนี่ยก่อนที่จะหลุดออกมาได้เนี่ยก็ต้องอยู่ครบสัญญงสัญญาเขาถึงถึงจะมาทําในธุรกิจหารลันก็ทำดีละทุกอย่างเป็นบททดสอบครวนี้อะไรที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะ แน่นอนว่ากับเนื้อกับตัวแล้วก็อะไรครับแล้วก็คืนสิทธิ์ที่ทำได้ด้วยคือวิธีการถ้าทิ้งละหมาด ก, ก็คือเริ่มต้นใหม่แต่บางอย่างที่มันเป็นการไปละเมิดหรือกาเอาของารอมมา ก, ก็คือต้องสละทิ้งออกไปเคลียร์ตัวเองให้คลีนให้สะอาดชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่เขาและอัลลอ์ก็เป็นผู้ทรงที่ประทรงรอบรู้ครานี้คํานึงที่ที่บอกว่า การสำนึกการสำนึกผิดเนี่ยจะต้องอยู่ในเวลาอันใกล้เอเลอร์ใช้คำว่าใกล้นะแต่นักอธิบายบอกคำว่าใกล้ตรงนี้ก็คือรอจนกระทั่งเมลิกุ้ลมูสจะมาเอาวิญญาณคำว่าใกล้ของของเอเลอ์เนี่ยแต่มันนานสำหรับบางคนเลยนะก็คือจนสุดท้ายนั่นแหละใช่แต่แน่นอนว่าดีที่สุดก็คือให้เร็วที่สุดต้าบัสให้ไวที่สุด แโอกาสสุดท้ายของเขาก็คือจนกระทั่งวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกดังที่ฮะดิษนบีที่บอกว่าอินนลอฮัยยุบบลุยักบาลุแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบรับเตาบัตตการตอบรับอ่าการเตาบัตอับดีฮีของบ่าวของพระองค์มาลมอยู่กอรกิรจนกระทั่งดวงวิญญาณเนี่ยมาถึงลูกกระเดือกนะคือจนกระทั่งออกจากร่างเลยแหละอะไรนะ อ่าแต่มันจะมีอยู่พวกหนึ่งนะนี่นี่ทั้งหลายไปไปสำนึกผิดตอนไหนรู้ไหมตอนอยู่ปากนปากนรกแล้ว <c oughs> หรือตอนที่ไปเจอมมเมลกา้าที่สอบตอนอยู่ในกูโบอ่ะโอ้โหกลัวเหลือเกินฉันขอตาบัตรตัวไม่ทันแล้วตอนนั้นนะแอบแล้วก็ยอมทุกคนยอมยอมหมดพอเวลาเห็นการลงโทษถือคอรมาแล้วจะตอกแล้วจะทุบแล้วขอตาบัตรตัวเลย ตอนนั้นไม่มีเวลาแล้วจะอยู่ในอายะที่สิบแปดอายะที่สิบเจ็ดเนี่ยพูดถึงคุณจะเลวขนาดไหนคุณจะชัว่วขนาไหนประตูเตาบัติของคุณยังเปิดอยู่ตามได้ที่วิญญาณคุณยังไม่ออกจากร่างและบาปนี้รวมหมดจะเป็นบาปทั้งรู้เจตนาตั้งใจนะอัลลอฮให้อภัยสำหรับบ่าวของพระองค์ที่ยืดเวล า, ยวลาอย่าหมดหวังกับชีวิตนะ คุณจะทำความผิดขนาดไหนอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยบ่าวของพระองค์เสมอทรานี้ในในในเรื่องของกฎการลงโทษเนี่ยนในดุนยาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในดุนยาเนี่ยมันจะมีการพิพากษาเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานฉันฟังข่าวนะไอ้คนที่เขาไปวางยากันเนี่ยยีสนะ่สิบศพเะอ่าไม่รู้แล้ว <laughs> ไปวางยาเนี่ยนะ ปรากฏว่าอัยการเขาออกมาบอกนะเขาบอกว่าไม่สามารถจะตัดสินประหารชีวิตได้กับผู้หญิงคนนี้เพราะมีลูกอยู่ในท้องและเด็กคลอดออกมาก็ประหารไม่ได้เพราะกฎหมายจะลงโทษดได้สูงสุดแค่จำคุกตลอดชีวิตพอเห็นแก่เด็กที่คลอดออกมาปรากฏวัยคนที่โดนฆ่าตายยกมือเลยบอกว่าอา้าวไอคนที่ถูกวางยาเนี่ยที่พิ่งตายไปเนี่ยให้นมลูกได้แค่เดือนนึงก็ถูกวางยาตายและเด็กคนนี้ยุติธรรมตรงไหน คนที่เป็นอายการเป็นอดีตอายการก็เลยยกมือก็เลยบอกว่าบางทีกฎหมายก็อาจจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ฉันก็เลยบอกว่ากลับมาที่กฎหมายของออลลอฮ์นะจําได้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําซีนามาสารภาพกับนบีนบีบอกกลับไปไปเลี้ยไปคลอดก่อนพอคลอดเสร็จแล้วอุ้มลูกมานาบีบอกไปเลี้ยงลูกก่อนจนกระทั่งเอาเด็กโตกินนมเลิกนมแล้วกินนมปังได้ถึงจะมีการลงโทษ แต่จริงนะบีก็ไม่ได้จะลงโทษหรอกนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อยากเตาบัตตัวไงอยากจะโดนโทษในดุนยาเพื่อจะรอดในอาคีรอ่นะแต่พูดถึงว่าอิสลามเนี่ยถ้าไปฆ่าคนเนี่ยก็ไม่ได้ประหารเลยถ้าอยู่ในท้องก็คือให้เลี้ยงลูกจนกระทั่งโตก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องถูกประหารชีวิตนะอันนี้คือกฎหมายที่มนุษย์วางกับกฎหมายขอรอดเนี่ยซึ่งต่างกันแน่นอนอะมาดูอายะต่อมานะครับเอาเรารู้แล้วนะว่าเต้าบัตตัว ในดุนยาเนี่ยหมดโอกาสสุดท้ายก็คือวิญญาณถึงลูกกระเดือกอันที่สองอีกอายะกุรานหนึ่งที่อัลลอ์บอกว่าเยาไมยะตีบะดุอายาตรบบิกในสุราอันอามวันที่สัญญาณบางอย่างแห่งอัลลอ์จะมาถึงจะไม่ยังประโยชน์แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดซึ่งการศรัทธาของมันและไม่ศรัทธาแปลว่าจะมารับอิสลามตอนนั้นจะกลับเนื้อกลับตัวไม่เกิดประโยชน์และสัญญานี้คืออะไร ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศการขึ้นเมื่อใดที่ตื่นเช้ามาแล้วไม่ได้ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันออกดวงอาทิตย์ไปขึ้นทิศ ต, ตะวันตกจบเลยนะการตาบัด ต, ตัววันนั้นหมดแล้วจะมารับอิสลามมาก่าวอัลชาดุอัลลารับอิสลามไม่ทันแล้วเนี่ยอยู่ในสุรานอามนะนั่นก็คือสัญญาณมัจ ก, กิยามัตใหญ่นะครับอ่ะต่อมาอายะที่18อลัลลอฮ์บอกว่า วะไรสติตเตาบาการกลับเนื้อกับตัวกลับใจนาะที่อัลลอฮ์ทรงรับนั้นนะลิลลลดีนยะมาลูนสไซอามิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ทำความชั่วต่างๆแบบไหนฮัดตาฮัดรอฮัดดะหูมุลเมาจนกระทั่งยันตายเลยพูดง่ายๆว่าตายไปพร้อมกับ ความชั่วนั่นเลยมีการกลับเนื้อกลับตัวไหมไม่มีก็ละอินนี้ตูบตูหลังจากตายไปแล้วเขาก็จะกล่าวว่าบัตรนี้ฉันขอสำนึกผิดนะจะยิเช่นบอกอะลงกูโบไปละหามไปลงกูโบเพิ่งจะเต่าบัตรสำนึกผิดและมิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะปฏิเสธศรัทธาด้วยอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ ปฏิเสธอัลลอฮ์มาตลอดและก็ตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอุลลอิกะอะตะดนาละหุมอาลาบนอลีมาชนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์จะเตรียมการลงโทษอันแสนเจ็บแสบเจ็บปวดเอาไว้ให้เขามีห a ด i ษอยู่บทหนึง่งบันทึกโดยอิหมัมอหัหมัดซึ่งรายงานมาจากอุซามะบอกว่าอินนัลลอฮฮยักบลุตาุบตาอับดิฮ แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงตอบรับการกับใจกับตัวของบ่าวของพระองค์เอายักฟิรุลิอับดีฮีหรืออภัยให้แก่ บ, บ่าวของพระองค์มาลัมยักเียร์ฮิจับตาบใดที่ม่านกั้นยังไม่ปิดกี้แหละก็มีคนถามว่าว่าม่าวูกูฮิจับอะไรหรือไอ้คาว่าม่านที่มันปิดเนี่ยมันคืออะไร นบีบอกว่าก็ลอันตะคราันนับสุวาหิยมุชริกุลชีวิตที่ออกจากรากในขณะที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ตั้งภาคีทําชีริกอยู่อ่าก็คือสุดก็ยังตายนั่นแหละพอเราฟังเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยจึงเห็นว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ดังนั้นถ้ายังเห็นคนที่ยังมีมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เขายังทําชั่วเนี่ยก็อย่าพึ่งไปเลยนะ อย่าเพิ่งไปสรุปว่าคนเนี้ยนรกหาดีไม่ได้แล้วเพราะเขาอาจจะเตาบัดตัวในวาระสุดท้ายเขาก็ได้ก็คือตอนที่เขานอนเจ็บป่วยอยู่นะแกเ็เขาอธิบายนิดนึงนะเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าตอนที่ดึงอะไรนะดึงวิญญาณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดึงมาถึงค อ, อหอยเนี่ยเพราะอะไรรู้ม พอามาถึงคอหอยปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าหน้าอกมันจะแน่นหน้าอกนี่มันจะแน่นไม่สามารถจะก่าวอะไรได้แล้วคือคนที่จะก่าวตั้งกีเออไม่ใช่อะไรกาวตั้งกีนั่นแหละก่าวเวลาอีไลท์นิดนได้เนี่ยมันยังต้องไปถึงลูกกระเดือกมันต้องก่อนเพราะถ้าไปถึงลูกกระเดือกปับ๊บกาวแล้วไม่ได้แล้วมันแน่นไปหมดหายใจนี่เรียกว่าหายไม่ออกแล้ว มันจึงเป็นระยะเวลาสุดท้ายที่อัลลอฮฺประวิงให้เพราะว่าต่อให้ต่อให้มาถึงตรงเนี้เขาก็พูดอะไรไม่ได้แล้วมันแน่นในอกไปหมดแล้วคือจะตายแล้วไงเครืองสุดท้ายแล้วมันจะแน่นไปหมดแต่ว่าถ้าดวงวิญญาณยังยังถูกดึงอยู่ยังไม่ออกไปเนี่ยยังอยู่ในช่วงจะลังจะดึงเนี่ยยังพอที่จะกล่าวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาอธิบายของว่าทําไมถึงมาถึงลูกกระเดือกล่ะเพราะว่าพอถึงลูกกระเดือกแล้วมันจบแล้วมันกล่าวอะไรไม่ได้แล้วมันแน่นในอกไปหมดมันหายใจไม่ออกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราอ่านต่อนะในอายะที่สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยาวเลยนะสิบสิบเก้ายี่สิยิบเอ็ดย่ิบสองถึงและละกุ้มและอยา่าให้รู้ละกุ้มแค่นี้ก่อนใช่ ใช่ครับใช่จ้ะนั่นแหละถูกแล้วจ้ะเออจ่าจ่อายุรนาอมานูจ้ะฮอ่ะเอาสบายนะนช่ตอ น, นรีอยย y อ a h ฮ y u h a Ladinamanu ล a y a h i l ล l a กุม อันตริสุนิเสอะกะห์นิเสอะกะห์ว لا ت, ت ع ذ ل و น ให้ทั้งสองคนไป ت าคนอื อ่าหยู่ตรงนี้นะฮุนอายรอบนึงเวลตะดูลูหุนั่ลิตา ذ ه บุบีบาดมาอัยตูโมหุน อาตัยทูโมหุนอิลล์ไอยาทนบิฟาฮิชติมบน อ่าตรงไอนะหน่งเสียงด้วยอิลลัยยะตีนบีฟาฮิชาติมหน่งเสียงตรงนี้ด้วยอิลอัยยะตีนบีฟาฮิชาติมมุบายนะ วَาชิรุนบ المعروف ว่าชิรุน المعروف فإن كره تموهن فعسا และไ و ่ ي ด้ร <detective: tomato S 2> <spe> <th> ับความสุขใดๆและไ อ่าเดียวอายะที่สิบเก้า อ, ก อ, นะอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะสิบก้าทีละอายะยาอเยฮ์เหล่านาอัมานลายาฮิลุลกุม ตริสนิสักรหาว่าละตั้ง ل ูลุ ل นั่นลิตั้งห ذ บบิบ ب าง ที่มาท فاحشة مبينة. جعل الله فيه خيرا كثيرا อย่าอยุฮห้ละดีในอามานุอัลลอฮเรียกผู้ศรัทธาละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและอย่าให้รุลลกุมคําว่าให้นตรงนี้ก็หมายถึงไม่อนุมัติฮารานเนี่ยคำว่าให้นตรงนี้ก็คือไม่เป็นที่อนุญาตไม่เป็นที่อนุมัตนะสาหรับพวกท่านทั้งหลายอันตริซุนนีสะอักรฮาการที่จะนําเอาหญิงเนี่ยมาเป็นมรดกด้วยการบังคับ อ่งงไหมผู้หญิงมาเป็นมรดกยังไงเพราะในสมัยก่อนผมเคยบอกไปแล้วในสมัยยาฮิริยาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยดูแล้วเ ป, เปรียบเสมือนวัตถุเป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้ชายไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่ฮึไม่อือเลยเลยถูกกดขี่แต่อิสลามเนี่ยมายกสถานะของสตรีให้มีตัวตนให้มีเกียรติดังนั้นไอ้คำโกหกมดเท็ด ของไอ้พวกต้องจะทำลายอิสลามที่บอกศาสนาอิสลามกดขี่ขมเหงผู้หญิงมาถามเขายังมาถามสตรีของสตรีที่ดีๆของพวกเรานะรู้สึกว่าถูกกดขี่ขนาดไหนมันไม่มีมมหรอกยกเว้นไอ้พวกที่อยากจะออกไทยอยากจะออกไปเป็นอิสระเนี่ยมีนะนะพวกไม่อยากคุมหิบับอยากแต่งตัวโปะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงแต่แต่คนที่รู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภัยในการปิดหน้าในการคุมหิบาบ ก็จะรู้สึกอีกเรื่องหนึง่งนะต่อให้ร้อนขนาดไหน40 50องศาเขาก็ไม่แต่งโป๊หรอกเพราะเขาคุมด้วยอีมานคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์อะไรเลยและเป็นเหมือนมรดกแปลว่าถ้าสมมุติย่อตายและเมียยังสาวอยู่ไอ้ลูกก็เคมต่อเลยรับต่อจากเมียของป๋าก็มากลายไปเป็นเมียลูกต่อ และผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์มีมีเสียงไม่หึไม่อือเขาเขายักหน้าก็ต้องมาหรือพี่ชายคนโตตายมีน้องชายอยู่แม่สวยพี่ก็รับต่อเลยไม่ทําไม่มีนิกายและไม่มีสิทธิ์ถ้านิกายนี่ต้องขอถูกปะ่ะถ้าขอดีบังคับไหมไม่นะถ้าข อ, อเขาจะเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งถูกปะ่ะแต่นี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยพอเขาสั่งตายปับ๊บ ผู้หญิงเหมือนกับเป็นกองมโลกอย่างหนึง่งอ่าใครจะเอายกมือโอฉันต่อจ่ะเออตรงนี้เขาบอกว่าปรากฏว่าเมื่อชายคนหนึ่งตายบรรดาทายาทของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองภรรยาของผู้ชายคนนั้นเนี่ยดูดิมันดูเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่เหมือนก็วัดถั่วไม่มีค่าซึ่งบางคนประสงค์จะแต่งงานก็แต่งงานได้หรือไม่ให้แต่งงานก็ทําได้ไม่สมมุติเนี่ย ปกติในทะสามีตายก็คืออยู่ในอิด้าใช่ไหมสี่เดือนสิบวันหลังจากนั้นนางจะไปแต่งงานกับใครก็แล้วแต่คนนั้นสมมติไม่ชอบจะขอมรดกบอกไม่ชอบผู้หญิงนี้ต้องอยู่เป็นโสดจนตายสั่งงี้ก็ได้จะเอามาเป็นเมียก็ได้หรือจะสั่งให้ไปอยู่เป็นโสดอยู่กระท่อมไปนายนตายก็ได้อันนี้คล้ายๆกับประเทศหนึ่งอินเดียมีวัฒนธรรมมีมีเมืองไม่ไม่อะเออ ถ้าผัวตายเนะี่ยหาเลี้ยได้ไม่ได้เลยต้องไปอยู่เมืองแม่ไม่ไงนั่นแหะแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะยุคสมัยก่อนให้โดดบังคับให้โดดเข้ากองไฟด้วยเผาผัวแล้วต้องให้จับเมียโยนเข้าไปในกองไฟแต่เขายกเลิกแล้วนะกฎหมายนี้เขายกเลิกแล้วแต่เมืองแม่ไม้มีจริงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าผัวตายปั๊บจบเลยคุณจะสาวขนาดไหนถือว่าโดนต่อต้านจากสังคมกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าเลยเลยแล้วต้องไปอยู่เมืองแม่ไม้ไปขอทานคราวนี้ พวกเนี้ยมันคือสมัยยาฮิริยานะ่ะแต่อิสลามบอกไม่มีเลยแล้วก็ไม่ให้ดังนั้นคนที่มีสิทธิ์ในตัวนางเนี่ยมันก็คืออะไรเมื่อสามีตายใครที่มีสิทธิ์ในตัวนางครอบครัวของนางก็คือวลีถูกั้ยเพราะวาเวลาที่คนคนหนึง่งสามีตายแล้วเขาเป็นม่ายพอเป็นม่ายเสร็จถามเวลาไปขอขอใครกี่ขอตัวเอง เขามีญาติไหมเขามีพ่อไหมเราขอตัวเองไม่ใช่นะต้องไปผ่านวลีนะแต่ว่าแน่นอนว่าวลีเป็นพี่เ พ, พียนเพียงแค่คนทําหน้าที่นิกาแต่คนที่ตัดสินใจคือผู้หญิงแต่ต้องผ่านวลียังไงก็ต้องผ่านวลีแต่วลีไม่มีสิทธิ์คัดค้านเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรแล้วเป็นหญิงไม้แล้วผ่านการมีประสบการณ์แล้วคราวนี้ สิทธิ์ของนางเมื่อสามีตายจะไม่เป็นมรดกแต่จะกลายเป็นสิทธิ์ของญาติพี่น้องของเธอก็คือไปอยู่ในการดูแลของญาติอย่างเช่นน้องสาวผมเนี่ยตอนนี้แต่งงานไปแล้วคนที่ดูแลก็คือสามีเขาวันหนึ่งสามีเขาตายพ่อฉันตายคนที่ดูแลนี่ไงพี่ชายมันเนี่ยต้องดูแลต่อและทิ้งไม่ได้ด้วยก็ต้องดูแลกันไปเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นี่แล้ววาเดส์ใหญ่ก็ดูแลกันไปนั้น คนที่เป็นผู้ชายต้องเลี้ยงน้องสาวนะถ้าน้องสาวเป็นไม้สามีทิ้งอันนี้หลายๆคนเป็นพี่ชายไม่ได้เรื่องปล่อยให้น้องสาวไปประจนภัยไม่สนใจไม่ใช่หน้าที่ของคุณเนะ่ยเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายก็ได้นะคือผู้ชายต้องดูแลพี่น้องโดยถ้าเขาไม่มีคนดูแลแต่ถ้าอยากให้เขามีดูแลก็หาคนหาสามีเข้าไปนะอ่าดังนั้นตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าไม่อนุ ญ, ญาตนะที่จะให้ผู้หญิงมาเป็นมรดก ชี้กันได้เลยสืบต่อกันได้ไม่ใช่สแสดงว่าเมื่อตายก็นางก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นสิทธิ์ของครอบครัวของนางแล้วก็เป็นสิทธิ์ของนางที่นางจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้วาลาต้ดูลูหุนนาลิตาฮาบูบีบัดิมาอาไตตูมูหุนอิลลาไอยะตีนาบิฟาให้ชะติมุบายินะและไม่อนุมัติเช่นเดียวกันกับการที่ท่านจะขวางนาง เพื่อที่จะเอาบางส่วนของสิ่งที่พระเจ้าให้แก่นางนอกจากพวกนางกระทาสิ่งที่ลามุกอันชัดเจนเท่านั้นอันนี้เขาเรียกภาษา ห, หนังสือพออ่านเสร็จปุ๊บอะไรวะคืออะไรคืออย่างนี้แต่งานกันแต่ทำเหมือนกับเป็นลมอ่ะรูจ้จักไม่เป็นลมแปลว่าอะไร ไม่อยู่ในสายตาไม่สนใจเข้าบ้านก็ไม่พูดไม่จ้าไม่ฮึไม่เออไม่หลับนอนแขวนเอาไว้เพื่อให้นางเนี่ยทนไม่ไหวและนางก็ขอยาครั้นี้ขอยาเนี่ยขอยาเนี่ยถ้าผู้ชายไม่ได้ผิดผู้ชายมีก็ไม่ไม่ต้องให้ต้องฟ้องใช่ไหมครั้นี้ก็จะมีข้อหนึ่งก็คือต้องต้องซื้อแล้วผู้ชายคนนั้นก็เอาตังมาแต่เหตุที่ซื้อยาเนี่ยเพราะว่าผู้ชายทําตัวอะไร ทำตัวไม่น่ารากักไงไม่เอาใจใส่บีบบังคับทําสารพัดสารพีแหละที่บีบทางด้านหัวใจอ่ะแต่ไม่ได้เป็นลงไม้ลงมือนะเช่นเข้ามาไม่พูดไม่จาถามว่าสามีไม่พูดไม่จ่ากันเนี่ยผู้หญิงใครอยากอยู่ด้วยแต่ปรากฏว่ายามหมู่บ้านเนี่ยจ้าจ๋าตลอดเลยนะเจอเมียเราเนจ้าจ๋าจ้าจ๋าแต่สามีพูดจา่าไม่เอาอ้าวเลยนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ผู้หญิงเนี่ย เบื่อหน่ายนะนั้นคนที่เป็นสามีเนะี่ยอย่าได้กระทำในสิ่งที่ทำให้ตัวของผู้หญิงเนะ่เบื่อหน่ายแล้วก็บังคับให้คืนสินสอดคำว่าบังคับคืนตรงนี้หมายถึงคืนมหัตนะวนกระทั่งเขาเซซื้ออย่าหรือไม่ก็คืนมหฮัตเอา้าม่อยากอยู่กับมึงแหละคืนให้หมดเลยแต่มันมาเป็นเหตุจากใครผู้ชายทำเหมือนเขาเป็นสายลมไม่สนใจไม่อะไรนะมาอยู่ในสายตาเจ้าพูดดีมาก ยกเว้นว่านางจะทำสิ่งที่เป็นลามกอันชัดเจนแปลว่าทานางมีชู้ทานางทำศีนานั่นแหละนั่นแหละผู้ชายสามารถที่จะเฉยชากับ น, นางได้จริงๆก็ยาเลยแหละคงคงจะไม่ไม่อะไรนะไม่ปล่อยไว้หรอกก็แต่งมาแล้วไม่ไม่คิดว่าเจอแบบนี้นี่ใช่ไหมเคยตอนแต่งก็ดีหมดเลยฮัลโาเอ้ย ม า, ม, ามาเห็น่าตแท้กันตอนหลังคราวนี้ถ้าแปลแบบเนี้ยก็ตรงตัวแปลว่าศีนาแต่พี่น้องครับเยรีตกล่าวว่าไม่ใช่คำว่าท่านท่านยรีตและอิมูอา บ, บาสบอกว่ามันไม่ได้ไอคำว่าลามกชัดเจนเนียมันไม่ได้หมายถึงศีนาแต่หมายถึงผู้หญิงที่ไม่ต่ออัตต่อสามีดื้อดึงกับสามีทำชั่วกับสามีสามีก็สา ม, มารถที่จะมีมาตรการในการลงโทษภรรยาโดยการไม่คุยด้วย แยกแยกอะไรแยกที่นอนเป็นการลงโทษนางหรือตัดนักฟอกบางส่วนเคยให้เท่านี้ฉันตัดเธอนะทำตัวไม่น่ารักเลยนี่แหละก็คือการการอะไรนะการลงโทษแบบนี้ถามว่าสามีไม่ผิดเห็นไหมแอนครัวนี้เอาเ่าใช้ต่อเอาเราบอกต่อนะ ว่าอาชีรูหุนนาบินมาอรูฟผมยกบ่อยมากจงอาศัยอยู่กับนางด้วยกับความดีจงอาศัยอยู่กับนางด้วยประพฤติกรรมที่ดีคำว่าอาชีรูหุนนาบินมาอรูฟมีอะไรบ้างหนึ่งคำพูดครับต้องพูดกับภรรยาดีๆเธอที่รักเนี่ยพูดไปเถอะสารพัด <laughs> <laughs> แล้วแต่ และพูดดีไม่พอต้องทำดีด้วยบางคนเนี่ยพูดดีหลังแหวนพอลมพัวแต่พูดดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาคีนแหวนให้สักทีหนึ่งเอพูดเซอร์พูดเพาะแต่ทำดีั้มไม่ดีนะและทำดีตรงเนี้ยไม่ใช่ดีเราศา ส, สนานละเอียดมากดีที่นางชอบเช่นนางเนี่ยชอบกินอะไรอะ่ะ ชอบกินทุเรียนสมมตุติไอ้เราเนะี่ยไม่ชอบเ ร, เราเกลียดมากเลยเหม็นเราก็ไม่ซื้อทุเรียนให้นางเลยไม่ใช่เราต้องลูกเรา150ก็ต้องซื้อให้นางไปถ้ามีตังนะอ่าวันนี้เพิ่งเดิบรรยายมาเอาไลงโดนทุเรียนโดนไป500ไปแนละ้วขาทุเรียนคำว่าทําดีตรงนี้หมายถึงทําดีในสิ่งที่นางอะไรนางชอบไม่ใช่เราชอบถ้าเราชอบเนี่ยเราก็สบายใจแต่มีแม้ที่เราชอบแล้วนางไม่ชอบมีไหมมีม คำว่าทําดีกับนางหมายถึงทําดีในสิ่งที่นางชอบถ้าเราถ้าเราดีเราก็รูท้ทีว่าดีนะแต่นางไม่ชอบอย่าทํารู้สิละเอียดมากศาสนาของเรารักผู้หญิงขนาดไหนอัลลอฮ์รักผู้หญิงขนาดไห น, ห น, ไหนสั่งสาั่งสามีเลยต้องทําแบบนี้วะละหุนมิสลและดีอาเลหินิมารูฟและพวกนางจะได้รับเช่นเดียวกันกันกบที่นางปฏิบัติโดยชอบทำแต่ว่านิดนึงนะนางจะได้แบบนี้ตอนเมื่อนางทําหน้าที่สามภรรยาที่ดี เมื่อใดที่นางไม่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีออกไปนอกบ้านไม่ขออนุญาตแต่งตัวไม่เรียบร้อยฟาฝืนด่าสามีนางก็จะหมดสิทธิ์ในการได้รับแบบนี้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะทุกอย่างจะได้มาตามหน้าที่ที่เขานั้น้ตามที่หน้าที่ที่นางปฏิบัตินบีบอกว่าไงนบีบอกคอยรุกุมคนที่ดีในหมู่พวกท่านทั้งหลายคอยรุกุมลีอะฮีฮีคือคนที่ทาดีที่สุดกับครอบครัว นบีไม่ได้บอกนะว่าคนที่ดีคือให้ไปทําดีนอกบ้านโอ้โหอยู่นอกบ้านอย่างแจ๋วเลยไม่ใช่นบีบอกเวลาจะดูใครเป็นคนดีเนี่ยดูว่าเขาทําดีกับคนในครอบครัวเขาไหมถ้าเขาทําดีกับคนในครอบครัวนั่นแหละคนดีจริงอ่าเขันดีดีของจริงไม่ได้ดีแค่เปลือกนอกต่อมาวะอันน้อยคอยรุกุ้มตัวฉันก็คือตัวท่านนบีเนี่ยดีไหมดีที่สุดเลยลีอัลีและฉันก็ปฏิบัติดีกับคนที่เป็นคนในครอบครัวของฉัน ส่วนหนึ่งจะมารายาทของท่านนาบีคือการทําดีกับครอบครัวนบีจะยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอล้อเล่นกับครอบครัวสุภาพอ่อนโยนเลี้ยงดูครอบครัวหัวเราะกับบรรดาภรรยาแม้กระทั่งเคยวิ่งแข่งกับภรรยาดังที่ฮะดิษท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเนี่ยพออายุเยอะแล้วเนี่ยพอสมควรเนี่ยท่านเจ้าเนื้อตอนนั้นแพ้ น, านาบีไอตอนแต่งกันใหม่ๆเนี่ยคุณยังเพียวอยู่วิ่งชนะนบีพอตอนหลังนบียายุมากแล้วนะ ท่านหญิงท่านหิงเริ่มเจ้านื้อนบีชนะนบีบอกว่าเสมอกันอ่าเป็นการเสมอกันนี่สามีภรรยาในแต่ละคืนรู้ไหมว่าบรรดาภรรยาขอนบีเนี่ยจะมานั่งพักรวมกันในบ้านแล้วก็มากินอาหารด้วยกันบางครั้งและหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปเข้าบ้านตัวเองแล้วเมื่ อ, เ ม, อเมื่อท่านนาบีมาพักบ้านภรรยาคนไหนท่านก็จะปฏิบัติตัวคล้ายๆกันแปลว่าท่านจะไม่เข้านอนเลย หลังละใหม่อิชาเสร็จอันนี้แปลจากหนังสือโต๊ะตหนังสือเป๊ะเลยพ อ, พอมาเข้าบ้านปับ๊บเข้านอนเลยปะไม่นบีจะมีเวลาให้กับครอบครัวนั่งพูดคุยปรับทุกข์กันเธอเป็นยังไงวันนี้เหนื่อยไหมงานบ้านตากผ้าเหนื่อยไหมมือด้านไหมเอ้ากินอะไรยัง่งหลังจากปรับทุกข์แล้วก็ชวนกันเข้านอนในผู้ชายบางคนพี่น้องเหนื่อยมาจากนอกบ้านใช่ไหมมาถึงปับ๊บมัสลามเข้าบ้านนอน ไม่คุยกับเมียเลยเมียรเรารอจะพูดจาด้วยอันนี้ไม่น่ารักนะและสุดท้ายตรงนี้ hadis นบีบอกต่ออ่ะกุรานบอกตอมใชกูรานอ่ะรอดบอกต่อว่าไงฟาอินกะริตูมูหุนเนี่ยฟาอาซาอันตะกรอฮูชอแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยอาจจะรังเกียจบางอย่างในตัวนางไม่ชอบบางอย่างในตัวนางก็หวังว่า ฟ้ า, ฟาอัยเซอันตะกอรอฮูชัยันนะขอไปรอบนะหากพวกเจ้าเกียดพวกนางก็อาจเป็นไปได้ว่าไอ้สิ่งที่เกียดนั้นเน่เป็นไปได้ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบอยู่เนี่ยในขณะเดียวกันอัลลอจะให้สิ่งที่ดีงามวาจาลอฟีที่คอยรอนกะซีรอและตามมาด้วยความดีงามแปลว่าอะไรแปลว่าบางทีเนี่ยภรรยาเนี่ยแต่งมาแล้วบางทีอาจจะดือ้อ บางคนแปฟังอาจารย์แปลไงอโอ้ยไม่ดีจะอยู่ก็ทําไมเลิกเลิกเลิกไปไอ้นี่ก็หูเบาไปไงกลับไปเลิกภรรยาเลยไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่บีบอกว่าถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจอดทนเอาไว้เพราะไอการอยู่แบบอดทนเนี่ยบางครั้งเอารสจะให้สิ่งที่ดีกลับมาคือมีลูกภรรยาบางคนเปลี่ยนได้เพราะเพราะลูกสามีบางคนก็เปลี่ยนได้เพราะเพราะลูกมีลูกปั๊บเลิกบุรีเลย มกกรติดตลอดเลยพอมีลูกปั๊บเลิบบุหรี่ภรรยามากกรณ์อกโหตามจิกเลยพอมีลูกเบาลงดังนั้นตรงนี้อัลลอฮฺบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่ดีสอบัตได้อยู่ในความอดทนอดทนไปก่อนนะอย่าพิ่งไปตัดขาดเพราะการอย่าร้างไม่ใช่ทางที่ดียกเว้นว่ามันไม่มีทางแล้วถึงจะใช้วิธีนั้นเพราะบางครั้งอัลลอฮฺจะทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้เช่นให้มีลูกและลูกก็จะเป็นข้อ เป็นอะไรเป็นเหมือนโซ่ข้อกลางทําให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นนะและบางคนก็มาเปลี่ยนแบลงตัวเยอะแยะเลยตับตัวตอนเป็นวัยรุ่นกับเที่ยวด้วยกันนั่นแหละหัวราน้ำเดีวยวกันพอแต่งงานแต่งงานไปแต่งมามาฟังบรรยงบรรยายกลายเป็นบุคคลที่ช่วยงานศาสนาก็เยอะแยะแต่ถามว่าถ้าเอาตอนนู้นเน่ยอยู่กันไม่ได้แล้วนะแต่ทุกวันนี้เป็นไงกลายเป็นคนที่รักกันอยู่ในศาสนาเนี่ยคือฮิกม้าของอายะห์ที่สิบเก้านะพี่น้องนะนี่คือชีวิตครอบครัวเลยที่เอาลอดได้กล่าวไว้ในกุรานอ่ะต่อมา เดี๋ยวเรา อ, อ่านต่ออายะที่20นะครับแล้วก็21่สิบด้วยเนาทีเดียวเลยเจาอยู่ตรงเจ้าเนี่ยนะได้ได้ครับเว <c oughs> อินอารอดนะ ตัวดาตัวนี้ไม่อ่านนะเข้าไปที่ตัวตาเลยนะว่อ mm ิน hmm. อารัตนะครับบางคนเห็นดานงงดานตัวนี้เข้าไปที่ตัวตาเลยนะว่าอ mm ินอารัตตูมุสติบดาลาซาดิมมะกาลาซาอูจ มากมากอี่รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งซาจิมมากานะซาอจนะอ่ะวาอินอารัตตมุสติบัดลซาจิมมกานะซาจ วَาทายตُุอิห์ดะหَนนะกิตราะْ์ว่าทายตุมอิห์ดะหุนนะกิตราะหَฟْลาท้าขูมิหูชอ ว่ทุมออว่าใตตุมอิห์ดะฮุนักิลปาร์ฟะแลตคูดูมินหุชีย ขูดูอะตัขูดูนั้นบว่าอิศมต ขูดูนั้นหัวว่าดั่งอับิลาบาอ์และข้าวหน้ และข้า ذ หนึ่งมิคุณมิท ث َ ا ق ً ا غ َ ل ِ ي อً ا و َ أ َ خذ ِ ن ึ่งมิคุ ث َ ا ق ًกกَนِ ي าً ا ซออ่านอีกรอบนึงนะว่าอินอารอดว่อร ทูมุสติบดาลาซาอิมะาลาซ ว่าทายทุมอิห์ดะหุนนะกิลทารา فلا تخذو منه شيئا จะเอาด้วยนั่นหุบตาِน้าว่าอิศม์มุบีนาจะเอาด้วยนั่นหุบต ا ن น้าว่าอิศม์มุบีนาว ا าจะเ ي าด้วَนั่นหุบตาหน้าวَาอิَม์มุบีนา บางพวก ا ุ้มอีลาบัตและข้ م บัตต์บางพวกคุ้มีลาบัตตละข มาดูความหมายนะครับเอลอส์บอกว่าและถ้าพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่งแทนคู่ครองอีกคนหนึ่งอันนี้หมายถึงอะไรเปลี่ยนภรรยานั่นเละเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนภรรยาอ่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้นะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าสิทธิ์ตรงนี้อยู่ที่ผู้ตรชาย อย่างที่ฉันบอกแหละผู้ชายมีสิทธิ์นะครับที่จะเลิกได้แต่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อเวลาที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยตอลากไม่ได้ต้องรอให้ผู้ชายเลิกหรือไม่ก็ไปฟ้องมีสองอย่างหรือซื้อครนี้แต่บางคนเนี่ยใช้สิทธิ์เกินขอบเขตเช่นการที่ไปเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าไปขอคนแดกเนี่ยหมดสตังค์ไปเยอะหมดมหัศไปเนี่ยทองสิบบาทเงินเท่าไหร่ แสนหนึ่งสมมติทองสิบบาทตอนนี้บาทละสามหมื่นกว่าบาทนะอ่านั่นแหละไม่รู้เท่าไหร่ห้าแสนบ้คราว <c oughs> นี้จะไปมีเมียใหม่เนี่ยสมมติจะไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เลิกคนนี้ไปแล้วไปเอาภอรรยาคนหนึ่งถามว่าจะต้องขอใหม่ไหมต้องให้มาัสใหม่ไหมก็ต้องให้ใหม่ดีคนอคนหนึ่งไม่เกี่ยวอะไรคนเก่าล่ะแต่พวกนี้หัวหมอไปบีบบังคับ ซ้อมภรรยาคนเก่าและเอามาฮัตกลับมาคืนเป้าหมายที่เอามาฮัตคืนเพื่อที่จะเอามาฮัตนี้แหละไปขอใหม่ไอ้พวกนี้มีนะเราจึงบอกเอาไว้ว่าและพวกเจ้าอยาและพวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางหนึ่งนางหนึ่งในหมู่พวกเจ้านั้นอันทรัพย์สินอันมากมายคือเหตุเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าจะมีเมียใหม่แต่ว่าไม่มีตังเลยเพราะตางัง หมดไปให้ไปขอคนแรกหมดแล้วเพราะคนแรกเขาเรียกเยอะกินตอดเรียกไปเป็นมหาศาลเลยการที่จะไปมีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่จะยอมไม่แหล่ะก็ขอเหมือนเดิมเลยอยากได้เหมือนคนนั้นด้วยก็เลยไปบีบบังคับไปเอาทรัพย์มาฮัศเขาคืนไม่ได้งไงนี่ไงนี่กูอจะบอกนี่แต่มันมีคนทําไงมาก่อนก็ อ, อย่างที่ฉันบอกกันแหละผู้ชายบางคนเนี่ยไปเอา ยอมไม่ไม่ยอมไม <c oughs> ขึ้นเลยเออแล้วก็ไปขอใบ <c oughs> เขาบีบบังคับไงฮัทยาเขาซ้อม <c oughs> เขาไม่ได้เขาไม่ได้ขอนะ่ยเขาบีบบังคับเออแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีฝากสิฮัทยาเขาใจเมื่อก่อนมันไม่ได้มีธนาคารมีบัญชีนี่เงินอยู่ที่ไหนน่ะก็ <c oughs> อยู่ในบ้านนั่นแหละใช่ไหม ก่อนขของเนี่ยผัวล้วงเท่าไหร่เมียล้วงเท่าไหร่รู้ไหล้วงเงินคราวนี้อ น, นี้แจ้งตำรวจเลยเห็นไหม <c oughs> อ่าก็ก็จงอย่าไปเอาทรัพย์สินเขาคืนเนี่ยกูร่านบอกอย่าไปเอาเขาคืนนะแม้ว่าเจ้าเนี่ยจะจะไปแต่งกับคนใหม่มันเรียกเยอะขนาดไหนก็ตอเป็นเรื่องของเจ้าก็ไปหาเขาเองสิแต่ของเขาให้เขาแล้วพวกเจ้าอย่าเอาคืนด้วยการอุปโลกมดเท็ด บางทีก็อาจจะไม่ได้เอาโดยโดยอะไรนะโดยไปบังคับก็ได้แต่โกโหกบางเนี่ยขอบางเฮ่อตอนเนี้บางแย่เดี๋ยวบางจะไปไปผ่าตัดตอะไรก็แล้วแต่หลอกเอาทองมาเฮ่ให้บางเฮ่อจริงๆแล้วพอได้ทองมาปับ๊บผู้หญิงให้ท้องปับ๊บไอ้ผู้ชายกาวยาจบเลยได้ทองหลอกทองไปแล้วไปแต่งเมียใหม่อย่างนี้ได้ไหมบาปนี่กูอ่านเขียนเอาไว้ <laughs> ดิขายสายหัวเท่านั้นเลยจะสู้ก็ได้เลยฮันยะเอ้ยอกำลังผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะวันก่อนดูขาผู้ชายมันตีหัวใครไม่รูนเนี่ยเข้าตรงเนี้ยสองทีตายเลยเนี่ยเข้าไทาทอยเนี่ยผู้ชายตีไม้ตักสามเลาหลอยังไปยังไปเรื่องนวะผู้ชายเนี่ยมันถ้ามันโมโหมันดุเนี่ยมันดุแหม อ่าเนี่ยทุกวันนี่ข่าวมันแทงเงินตายเว้ยฉันดูแลปวดหัวเนี่ยกูนั่อันบอกไว้เลยนะต่อให้ไปไปหลอกแบบเนี้ยเฮ้ยได้เขาให้เขาให้ทําไมเขาให้ล่ะก็แกไปบอกแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมียก็สงสารก็ให้ทองมาฮัดคืนมาพอได้มาปั๊บไม่ได้เป็นเลยเลยหลอกเขาเนี่ยต้องไปคืนข้าหมดเลยไม่ได้ไปหลอกเขาเอาล้อบอกเป็นบาปอันชัดเจนนะคราวนี้มันมีกรณีหนึ่ง มันมีกรณีหนึ่งสมัยนี้ยากแล้วแหละครับอ๋อผู้หญิงไม่โกรธนะอ่อาจารย์ต้องเข้าใจนะผู้หญิงมีหลายแบบนะคนซื่อก็มีนะคนคองคงคนคองคองก็มีคนหลงก็มีนั่นกุฎิอ่านเนี่ยไวลาก็เขียนไว้เนี่ยไวล้อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยครอบคุมหมดอ่าบางคนบอกอัลลอฮ์ฉันฉลาดเราฉลาดเราก็ดีแล้วแต่คนไม่ฉลาดันก็มีคนไม่ค่อยรู้เท่าทันก็มีนะ คราวนี้มันมีรายงานหนึ่งก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอุมัตเนี่ยอจําจได้ไหมอายกุรฎานที่บอกว่าไม่ให้มหัดแบบกินตอดคือให้มหัดอย่างเบะเยอะเลยและสุดท้ายไม่มีตังไปแต่งเมียใหม่ก็ไปไปไปขอคืนเขาหรือไปใช้อุบายหลอกมาปรากฏว่าท่านอุมัตเนี่ยเคยขึ้นคุณตบานแล้วบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้สินสอดสตรีมากจนเกินไปคือบังคับเลยในยุคท่านอุมัตห้ามผู้หญิงเรียกมหัดเยอะ ขึ้นกุตบ้านเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าภรรยานาบีที่แต่งเนี่ยหรือลูกสาวนาบีเนี่ยไม่เกินสิบสองอูกียะอันนี้ฉันไม่รู้น่าเท่าไหร่นะสิบสองอูกียะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากปรากฏว่าวันที่ท่านอุมัตเนี่ยไปขึ้นกุตบ้าผู้หญิงผ่านมาพอดีฟังอยู่นะปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้นางเนี่ยได้เรียกมาฮัด สี่ร้อยดิรลัมถ้าสี่รอยดิลลหัมฉันพอจะคำนวณได้ประมาณทองประมาณสิบสองบาทประมาณทองสิบสองบาทฮัตยะเยอะไหมสองสิบสองบาทเยอะนะเยอะเลยแหละสิบสองบาทเนี่ยหากันปวดหัวเลยแหละทองสิบสองบาทคูณสามหมื่นเข้าไปปรากฏว่านางก็ไม่พอใจดิท่านอุมัตขึ้นกุตบะห้ามเรียกมาฮัตเยอะแต่นางเนี่ยเรียกไว้เท่าไหร่สี่รอยดิลลัม นางก็รอดักอุมัตเลยไม่ธรรมดานะผู้หญิงสมัยก่อนนี่นะดักท่านอุมัตเลยพอดักท่านอุมัตเสร็จพออุมัตลงมาจากมิมบัตเสร็จใช่ไหอแล้วก็ละหมาดเสร็จดักเสร็จปุ๊บท่านอุมัตพูดไม่ถูกมาห้ามผู้หญิงเรียกมาัดสูงได้ไงพ่ออัลลอฮ์บอกว่าอาไตตุต่มเอฮดาฮุนนาะกินตอเพ่ออัลลอฮ์บอกว่ากรณีที่ เจ้าเนี่ย ใ, ใ, ให้พระมาัดาภร ร, ร, ร, รยาแบบจำนวนมากเนี่ยอย่าได้ไปเอาคืนแสดงว่าเอาลอดอนุญาตไหมอนุญาตให้เรียกมหัตได้เยอะๆได้ปพรากฏว่าหลังจากนั้นอมรสเริ่มขึ้นต้องต้องขึ้นไปคุตบ้าใหม่บอกยกเลิกยกเลิกไม่ได้ละเพราะเพราะผู้หญิงคนนี้มาคา้านเอาไว้ยกกุอาณเลยจ่ายานี้นะนี่คือตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นอะไรไม่ถูกก็พูดได้นะ ต่อให้เป็นอนมีรุ่มุมีนีนท่านอุมมัตแตคนดูขนาดไหนอ่ะแต่พูดไม่ถูกกับผู้หญิงก็เอาเรื่องอ่ะผู้หญิงคนนี่บอกเลยว่าไม่ได้มากำหนดไม่ได้ฉันจะเรียกเยอะทําไมอ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้กรณีเรียกเยอะเรื่องน้อยเนี่ยนบีให้ดูตรงนี้ว่าผู้ชายเนี่ยมีความสามารถไหมใช้คําว่ามหาทีสะดวกสมมุติว่าบางคนเขามีมีร้อยล้านเนี่ยเราเรียกไปห้าสิบล้าน ก, ก็สะดวก แต่ถ้าเขามีในบัญชีอยู่แสนหนึ่งเราเรียกเป็นสองล้านนะ่ยยังไงก็ไม่สะดวกเชิญฉันดิไม่สะดวกหรอกเ <laughs> ช่อไหมเพราะมีแค่แสนเดียวเรียกเป็นสองล้านนี่คือหลักการศาสนานะคันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีการเล่นชู้กันปรากฏว่าสามีจับได้ว่าภรรยามีชู้ในบ้านเลยหลักการศาสนาของเราเนี่ยถ้าจะเห็นมีใครทาศีนาเนียต้องหาพยานมาสี่คน ถามว่าสามีมีไปตามทันไหมไอ้หยุดก่อนเดี๋ยวฉันไปตามคนมาอีกสามคนมึงคงหยุดแหะมึงคงไม่หยุดหรอกคราวนี้ไอ้ผู้ชายก็ไปฟ้องนบีว่าเมียฉันมีชู้อ่าเห็นเมียฉันมีมี ม, มีทําซินานาบีก็บอกว่าฉันต้องเคียนเธอนะ่ะเพราะตรงหาพยานไม่ได้ผู้ชายคนนี้สูอยู่ต่อรอบอกท่านท่านพูดความจริงแนตะ่ทำไมอลัลลอฮ์ต้องให้ฉันโดนเคียนด้วยอลัลลอฮ์ก็เลยลงอายะเรื่อง รีอนลงมาให้มีการท้าสาบแช่งสาบานกันนะหลังจากนั้นก็มีการเพราะผู้หญิงไม่ยอมรับผู้หญิงก็ไม่มีปากแข็งเอาไว้อ่าผู้ชายก็บอกว่าแกมีสุดท้ายก็ให้สาบานสาบแช่งกันปรากฏว่าพอสาบานสาบแช่งกันจบผู้หญิงคนสองคนนี้จะกลายเป็นมารรอมแบบตลอดกาลเลยและในขั้นตอนตรงนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเกิดถอดใจขึ้นมา ก็จะถูกลงโทษผู้ชายก็จะถูกลงโทษเคี่ยนแปดสิบทีก็หาไปกล่าวหาผู้หญิง ผ, ผู้หญิงถ้ายอมรับก็โดนขว้างจนตายโทษคนเลยเท่กันเพราะนีจีนาอีกคนหนึ่งก่อกล่าวหาแต่ถ้าจบกระบวนความแล้วไม่มีใครยอมรับหลังจากนั้นชีวิตของแต่ละคนที่โกหกอะ่ะจะได้รับจะเห็นผลเลยเพราะมันเป็นการสาบแช่งสา บ, บานในสุราด้วยนะทำในสุราด้วยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะขอมาัดคืน แต่ถามผู้หญิงเขายอมรับไหมเขาไม่ยอมนบีจึงบอกว่าถ้าถ้าเธอโกหกมันก็คือทรัพที่ที่เธอที่เอที่สามีเนี่ยได้มีความสุขกับเอายุวัฒเพศของเธอของนางถูกไหมคือก่อนหน้านี้โอเคแหละนางมีชู้แต่ถามว่าก่อนหน้านี้สามีไม่ได้ไปแตะต้องเนื้อตัวผู้หญิงคนนี้เลยเหรอก็แตะต้องเนื้อตัวเยอะเยะ นั่นแหละคือมหฮัตแทนตรงนั้นไปแล้วคุณจะมาเอาคืนไม่ได้และยิ่งทานางเป็นคนที่ไม่ทคยโกหกยิ่งเป็นของนางใหญ่เลยแต่นบีก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าใครโกรหกนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือให้เป็นขั้นตอนในการการในการสู้ความกันและก็ให้อัลลอฮ์ตัดสินเพราะไม่มีหลักฐานทั้งคู่นะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าต่อให้ ไปกล่าวหาภรรยาว่ามีชูเนี่ยยังเอามาฮัดคืนไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะถือว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์ที่คุณเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่ไปนอนกับนางนะดังนั้นอา ญ, ญาไม่ต้องเดือดร้อนเลยว่ายังไงเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วแต่ฉันนะ่ะกลัวเรื่องเดียวคือผู้ชายนะมันมีเล่ห์เหลี่ยมมันคงไม่ได้ขอคืนตรงๆหรอกเหมือ น, นที่ฉันบอกยัยกุฎานบอกแหละอาจจะไปโกหกนุน่นโกหกนี่แล้วสุดท้ายพอเลิกปับ๊บตบเลยให้แล้ว แล้วก็เอาไปแต่งภรรยาใหม่อันเนี้ยอัลลอฮ์บอกเป็นบาปนะอ่ะต่อมาอายะต่อมาว่าคฟะตะกขุรุะฟะกอดอฟัฟดอบบะดุกุมอิลากับาดินอันลลอ์บอกว่าและหพ่อเจ้าจะเอาคืนได้อย่างไรทั้งทั้งที่บางคนในหมู่พรเจ้าเนี่ยได้แนบกายกับบางคนแล้วก็หมายถึงได้นอนกันแล้ว จริงๆนมาัตเนี่ยนะสิ้นเขาเรียกสุดในการให้เนี่ยก็คือให้ก่อนที่จะเขา้าเข้าหออ่าส่วนใหญ่เขาจะไปให้ตอนส่งตัวเข้าหอกันนะเห็นไหมที่เขาจะไปสวมไงตอนอยู่บนเตียง อ, ะอ่ะอ่นั่นแหละคือขั้นตอนของการสุดท้ายแล้วของการให้แต่ให้ไม่ครบก็ได้นะครยะแต่เป็นหนี้เออแต่เป็นหนี้เออให้ไม่ครบก็ได้แต่เป็นหนี้แต่เขาไม่ยอมก็ต้องให้ครบครั้นี้ เอเล่อกว่าเมื่อคุณไปแนบกายกับเธอแล้วเนี่ยเจ้าคืนได้ไงและพวกนางก็ได้ให้คำมั่นสัญญาอันหนักแน่นกับเจ้าแล้วด้วยแปลว่าอะไรคํามั่นสัญญาคืออะไรคำมั่นสัญญาก็เมื่อเวลาที่ที่รับนิกาปั๊บเนี่ยมันมีสัญญาอยู่ไงนบีบอกว่าวัสเตาซูบินนิซาคอยรอนพวกท่านจงปฏิบัติกับสตรีภรรยาคําว่าภรรติหมายถึงภรรยาด้วยดี เพราะพท่านนั้นได้รับพวกนางด้วยกับความรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์ฟาอินนากุมอาคบตูมูฮุนนบีอามานินล่ะเป็นอามานะที่อัลลอ์ฝากเอาไว้เลยคือภรรยาวสตาฮลัลตุมฟูรูจะฮุนนะอวัยวะเพศของนางได้เป็นที่ฮา้านอนุมัติแก่พระเจ้าด้วยดำรัสของ AH. อัลลอฮ์น่ะ เพราะว่าในเงื่อนไขของการอิจาบกอบุญเนี่ยหนในนั้นก็มีเรื่องมาฮัดด้วยไงมีมาฮัดเข้าไปเกี่ยวข้องคืออะไรว่าจิบต้องมีถึงจะมีการกอบรับเขาก็ถามว่าด้วยมาฮัดไหมคือเขาจะใส่ในการนิกายด้วยด้วยมาฮัดที่ตกลงอ่านี่แหละคือมาฮัดตรงนี้มันเป็นสัญญ า, าไว้นะแล้วก็เป็นสัญญาการเป็นสนามีภรรยาดังนั้นเมื่อมันมีสัญญาตรงนี้ภรรยาเขายอมรับทําสัญญากับคุณแล้วเนี่ยคุณจะไปเอามาฮัดคืนไม่ได้นะครับนะ อันนี้ก็อาจจะอย่างที่ชัดยาบอกว่าเดี๋ยวนี้อ่ะมันคงเกิดยากแต่ว่าสมัยก่อนอย่างที่ฉันบอกนะผู้หญิงบางทีไม่ได้ประสีภาษาอะไรเลยกับเรื่องท ร, รัพย์ผู้ชายเป็นคนทําทั้งหมดอย่าว่าอะไผู้หญิงอกอกนอกบ้านกันหลงแล้วเมื่อก่อนอ่ะไม่ออกไปไหนอ่ะอยู่บ้านเดยวผู้ชายออกไปตลตดเลยเอออะไรจึงปกป้องสิทธิสตรีมากเหลือเกินกล่าวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ผู้ชายตรงนี้ห้ามทำํำนี้เนี่ยเป็นกฎระเบียบเอาไว้เลยนะ ต่อมาอายะที่ยี่สิบสองอันนี้จะเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูดิเรื่องดูความหมายก่อนอ่าเรื่องภรรยาของพ่ออเรื่องมารอมเรื่องมารอมและอายะที่ยีิบสองจะเรื่องมารอมอะอะนะอ่านนะ ว่าแล ك วต้นคิหูมาน ؤ กฮาบะอุคุมมนาเน إِلَّا مَا قَدْ س َ ل َ ف ฟ إِنَّهُ كان َ فاحشة َ ومقت َ و س َ سبلا วَ ل َับนิงว่ารับนิงว่ารับนิงวُ م รับนَ ا ل ن ِّัَนน <س> إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً و َ م َตْ ت ًม و َะَ ا ء َ سَبِيلًا นะอ๋อบอกว่าวาเลตันกีฮูคําวันิกาแปลว่าแต่งงานและจงอย่าได้แต่งงานกับใครมานากาฮาอาบาอุกุม um. และจงอย่าแต่งงานกับบรรดาหญิงที่บิดาของเจ้าได้แต่งงานกับนางมาแล้วใครเมีย พ, พ่อใช่ไห ม, มอเออไ <laughs> ม่ใช่มะแท้นะแ ม, ม่เลี้ยง เอาแม่เลี้ยงทำเมียห้าม<笑><笑>เพราะว่าแม่จริงๆไม่ได้อยู่แล้วแต่นี้สมมติว่าอายยอดเนี่ยมาตายสมมตินะแม่แท้ๆตายอายยอก็มีมีภรรยาใหม่อายยอดเนี่ยประมาณหกสิบห้าละภรรยาสาวเพิ่งสามสิบสองอะไรเงี้ยสมมติลูกก็ประมาณสามสิบต้นเหมือนกันเออสวยเหมือนกันเลยนะนะวัยเดียวกันเลยปรากฏว่ายยอตายไปอ่าเค็มต่อเลย เข้มไม่เลี้ยงต่อเลยอิสลามบอกว่าห้ามหนิกาพ่อทำไมห้ามหนิกาละ่ะพราะถือว่าเป็นมารอมแล้วเป็นมารอมในการแต่งงานแล้วนะอห้ามที่บอกแบบนี้เพราะว่าในอาหรับสมัยจารียาทำไงอาจารย์ที่บอกนี่ไม่ใช่มีด้วยหรออาจารย์ก็มันไม่มีหรอกสมัยเราเนี่ยแต่สมัยก่อนที่ก่อนที่อายาเนี้ลงมามีไหมมีทํากันเยอะด้วยไม่มีสิเพราะอายเอาละห้ามแล้วแต่แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มุสลิมนี้ไม่รู้นะ สมัยไม่ใช่มุสลิมแต่มุสลิมันไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะอัลลอฮ์ห้ามตั้งแต่สมัยนู้นแล้วไงแต่ก่อนที่ก่อนที่อะไรครับก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยเขาทํากันเป็นเรื่องปกติยาฮิลิยาอ่าบางคนก็บอกทําไมทําไมมาบอกละ่ะก็บอกก่อนมีไงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอัลลอฮ์ห้ า, หามเอาไว้นะ แล้วก็บอกว่าอิลลามาก็ดสลับแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ลามกและน่าเกลียดยิ่งและเป็นวิถีทางที่ชั่วช้านะคราวนี้มาดูต่อนะภรรยาของพ่อเป็นที่ต้องห้ามแก่ลูกๆและข้อชี้ขาดแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องห้ามมีอะไรบ้างอัลลอฮ์ทรงห้ามบรรดาภรรยาของพ่อแกพวกเจ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พวกนางและเป็นการให้เกียรติกายย่อด้วยและการห้ามดังกล่าวนี้เริ่มมีผลตั้งแต่พ่อแต่งงานกับนางซึ่งเรื่องนี้บรรณา น, นุชาการเห็นตรงกันและถือเป็นมติเอกฉันเป็นมติของนักวิชาการอีกด้วยอิมุจารีไใ้รดไงมาจากอิมอับบาสว่าปรากฏว่ามีชาวยาฮิลิยาเนี่ยถือถือเป็นที่ต้องห้าม ตามที่อัลลอฮ์ทรงห้ามยกเว้นภรรยาพ่อคือเขาก็ห้ามกันมาตั้งเยอะแยะนะเช่นพวกแม่กับลูกที่มันเป็ น, ปนสายสัมพันธ์ทางใช้เส้อสายเนะี่ยไม่ได้อยู่แล้วย า, ยาฮิริยาก็หมายถึงขั้นเอาลูกทาเมียไม่ใช่หรอกแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาทำกันคือภรรยาของพ่อแม่เลี้ยงนะและการร่วมกันระหว่างพี่น้องแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าเกิดมีพี่น้องสวยทั้งคู่เลยน้องสาวก็สวยไอหนี่ก็สวยไอเด็กก็สวยรวบเลยแอบรวบเลยคือพี่น้องพี่สาวหรือน้องสาวเป็นภรรยาในเวลาเดียวกันเราจึงบอกต่อว่าก็เดออิลามาก็เดอซาลฟนะเว้นแต่ผ่านมาแลว้วคืออญญายะเนี่ยพูดถึงถ้าเป็นภรรยาพ่อเนี่ไม่เกี่ยวเลยนะคือห้ามตลอดการ แต่ถ้าเป็นพี่น้องหมายถึง เ, เราไปได้กับสมมติเราแต่งงานกับภรรยาแล้วมีน้องภรรยาอยู่น้องภรรยาเนี่ยเป็นมารอมนะเป็นมารอมตรงนี้ไม่ไดโดนตัวเขาได้นะไปเที่ยวไหนด้วยกันไม่ได้นะไปใไนสองสองไม่ได้แต่มารอมในห้ามแต่งงานเพราะเราไปแต่งกับพี่เขาแล้วแต่ถ้าเกิดเลิกกับพี่เขาไปหรือพี่ตายน้องต่อได้ไหมได้แต่ไม่สามารถเอาพร้อมกันเขาเด็กไม่เอา แต่ ง, งานพร้อมกันได้อคราวนี้อลัลลอฮ์บอกต่อว่าแต่งคู่ไม่ได้ไไดเรื่องเรื่องนะต้องแต่คนเดียวนะซึ่งเรื่องเนี้นะมันมีคนที่ทนะาํานะและอัลลอฮ์ใช้คําว่ามักกะตันมักกะตันในแปลว่าหน้าเกียรและเป็นเรื่องใหญ่คืออย่างนี้ปกตินะโดยทั่วไปเนี่ย ผู้ชายเนี่ยเมื่อแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยมีภรรยามาแล้วเนี่ยมักจะไม่ชอบใครอดีตสามีเป็นเรื่องปกติเลยนะคือไม่รู้ว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นอคติอยู่ในใจว่าถ้าภรภรรยาพูดถึงอดีตสามีเมื่อไร่ของขึ้นไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นเป็นปกติของของของสามีที่จะรู้สึกไม่ดีมาก กับอดีตภรรยาไม่ได้ปกติดังนั้นอลัลลอฮ์จึงห้ามไงถ้าคุณเอาเอาภรรยาพ่อมาแต่งก็เท่าเกียดใครพ่อไงก็เกียดพ่อตัวเองเันเอนึกออกมแล้วแลภรรยานาบีทั้งหมดจึงห้ามนิาต่อหลังจากนาบีวะฟาตถ้าแต่งงานกับภรรยานาบีคุณก็จะไม่ชอบนบดอีกนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เหนไหมเนี่ยในเขาเขียนไว้หมดเลย แต่จริงๆแล้วภริยานบีเป็นแม่แท้ๆของมันเป็นแม่แท้ๆเลยเป็นเหมือนแม่เลยคือห้ามแต่งงานไงคาว่าเป็นแม่ก็หมายถึงห้ามแต่งงานภริยานบีทั้งหมดห้ามแต่งงานอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ในหัวใจผู้ชายว่ามักจะไม่ไม่ชอบอดีตสามีหรือไม่พยาพูดถึงอดีตสามีพูดแล้วของขึ้นจะพูดดีไงก็แล้วแต่อันเนี้ยเขาถึงบอกว่าเป็นเป็นเคล็ดลับที่ห้ามต่อมาอันนึง ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะบันทึกโดยมัมอัมมัดมันมีรายงานมาว่ามีชายคนได้ส่งไปส่งอบบีบุรดาส่งใครเดี๋ยก่อนนี่มีรายงานมือจ่าอิมุนอมัดและมีรายงานจากลุ ง, ขงเขาว่าท่านรสูนได้ส่งเขาไปก็คืออบบีบุรดาไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งงานกับอดีตภรรยาของพ่อเนี่ย อยู่แล้วก็อยู่กินด้วยกันเลยนะปรากฏก็ไอคนนี้ก็ลากด่าไปคนก็ถามยี่ไปไหนอ่ะอ๋อโดซูน ส, สั่งจะให้ไปครอบครัวนั้นอ่าแล้วเขาบอกไปทำอะไรล่ะอ๋อไปเอาคอมาไปตัดคอประหานระบีสั่งให้ไปตัดคอนะไอผู้ชายที่พูดยังไงลูกเลี้ยงนั่นแหละที่เอาแม่เลี้ยงมาเป็นเมียเนี่ย โดนตัดคอแล้มีสั่งอะไรให้ไปตัดคอแล้วก็ไปตัดมาด้วยประหารชีวิตแล้วก็ยึดซับหมดเลยตัดคอแล้วก็ยึดซับหมดเลยเพราะว่าถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากมักกระตันอ่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติพ่อตัวเองเป็นการที่ละเมิดนะอยู่ในอายะคุรอานนี้นั้นโทษตรงนี้ก็คือการมีเพศสัมพันธ์มีการมีเพศมีการที่มีเพศสัมพันธ์อ่านั่นแหละ กับคนที่เป็นมหรอมโดยเฉพาะมีกับลูกแท้ๆมีกับแม่แท้ๆพวกนี้เนี่ยโทษอย่างเดียวเลยคือตัดคอเพราะพวกวิปริตนะพี่น้องพี่ชายกับน้องชาพี่ชายกับน้องสาวมีอะไรกันตัดคอไว้ไม่ได้พวกนี้เสียพันธุ์หมดเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์มันเป็นพฤติกรรมของเดรฉานเดรฉานก็ทําแล้วก็เช่นเดียวกันกับกรณีแบบนี้นะนบีสั่งตัดคอประหารไม่ต้องไปดูว่ามหรอมไม่มหารอมใหม่ถึงอะไร อ๋เขาเคยผ่านการแต่งงานไม่เกี่ยวเลยถ้ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นม้ารอมแท้ๆเนี่ยตัดคออย่างเดียวนะประหารชีวิตเนี่ยยีได้ตัดคออย่างเดียวเลยประหา น, นั่นแหละนะเอออ่ ะ, อะนี่ก็คืออายะที่ยี่สิบสองนะครับอีกสักหนึ่งอายะไหมก่อนจะจบนะวันนี้นะอายะที่ยี่สิบสามขึ้นยุสใหม่พอดีเลยอันนี้เรื่องม้ารอมยาวๆเลย Ma Rom. Ah, all binamchetani roji. h u r r i m a t alaykum ummahatukum. h u r r i m a t alaykum ummahatukum. Ah, u r r i m a t alaykum. อุมม่าฮุกุมวบานทุกุมวะอัควาตุกุมวะอะควาทุกุม มาตุกุมว่ขวลาตุคุ ม, ว, ว, มว่าอมมามเอาตรงไหนดีเนี่ยงงไปหมดเลยเอาเอาเว้นทีละช่วงฉันงงมันม่มันเอาตรงไหน เอาเอาทีละวักแล้วกันนะเอาไม่ย้อนไม่ย้อนนะครับเพราะว่ามันคนละคนกันนะเอาฮุริมัตอะไรกุ้มวะอุมมาฮาตุกุ้มหยุดวะบานาตุกุ้มวะอะควาตุกุ้มยุดวะอัมมาตุวะอัมมาตุกุ้มวะคอลาตุกุ้มแล้วก็หยุดแอบหยุดอย่างงี้แบ่งไปอย่างงี้ยอานรอบหนึ่งนะ ขรรค์ ل มตุอาลัยคุมอุหมะทุคุมและบัน ا ุคุมและขวะทุคุ ا ت ละอํา แมตุกุมว่าขอลาตุกุมว่าแม่ตุกุมวอลาตาตุกุมว่าอลาตุกุมว่าแม่ตุกอลาตุกุมวาตุกอุกตวลาตุวาตุอุต وأمم َأُمَّهَاتُكُمُ ا ل ل มุล ت ِต أ َ ر ْ ضة งนะคุมอ่าตรงลานี่ไม่ยาวนะแต่ตีเนี่ยตีเนี่ยยาว อ่านะอีกรอบนึงวาอุมมฮตุกมุลลตีอรบนักุมวอุมมฮตุกมุลลตีอรนักุมวาขาวตุกุม มิ่นรร a ะด้ะและอัครวะทุกมิ่นรราะด้ะและอุหมะทุนิสัยุม ุมไม่อ่านะไอรอบนึ่งว่าอุมมแมตุนิเาอีกุมอยู่ตรง في หุจูรُคุมَักมินิไซคุมุลลตีวะโรเบอิบุคุมุลลตีฟีหุจ ر ร ك ُุม มินิเซอิคุมุลลาติดาขลตุมบิหิน มีมตายพบบานะนงเสียงด้วยนะครับอีกฝาเชะฟอวีอีกรอบหนึ่งนะมินนิเซอิคุมุลลาตีดะคัลตุมบิฮิน ف, إ ف, ف إ َ إ ِ ل َ م ْ ت َ ق ُ و ن ُ د َ خ َ ل ْ ت ُ م ْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ج ْ วَาลาَอลอับนาอิคَมแลด م น่ามَนอِศลَบิ ن ุ أ َْ่ลَ ا อِ ك ُ م นาอ วَาَ ت َ ج َยู่ b بَيْنَ الأختين ُ إلا ما قد سلف إن อัลลอฮ่นักรธรรหีมะอ่ะแปลเลยละกันนะอ่ะฮุริมัดอะไรกุมเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกท่านทั้งหลาย ตรนนี้ก็หมายถึงห้ามแต่งงานนะอุมมาฮาตูกุมคนแดงเลย <c oughs> แม่ของพวกท่านคำว่าแม่ตรงนี้ก็หมายถึงแม่ไปเรื่อยๆนะแม่แลวก็แม่ของแไปเรื่อยๆขึ้นไปข้างบนแม่ของท่านเนี่ยห้ามบานาตูกุมห้ามแม่แล้วก็ห้ามใครลูกสาวนี่เรียกมารอมตลอดการอันนี้น่าจะ รู้กันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเอเล็กก็กำหนดเอาไว้ไงว่าใครที่เป็นมารอมแบบตลอดการตลอดการแปลว่าไม่มีเปลี่ยนสภาพเลยจะอยู่สถานะอะไก็แล้วแต่ก็จะห้ามแต่งงานยันตลอดชีวิตมารดาของพระเจ้าลูกสาวของมวดเจ้าวัอัควาตูกุ้มพี่น้องผู้หญิงพี่พี่สาวน้องสาวเราอันนี้เอเล็กพูดกับผู้ชายใช่ไหมแล้วก็ไล่ผู้หญิงที่อยู่รอบข้างอะ มีแม่มีแม่มีลูกสาวแล้วก็มีพี่น้องสาวว่าอัมมาตุกุ้มอัมมานี่หมายถึงหมายถึงลุงป้าป้าป้าแล้วก็อาหญิงงงไห ม, อ, มลลอ่าพี่น้องของแม่ พี่จีเป็นผู้หญิงอะ่ะพี่น้องของแม่เราอะ่ะไม่ได้เลยแล้วก็วะคอแล่ตู้กุ้มอันนี้กับพี่น้องของยอที่เป็นผู้หญิงเอะ่ะป้ากับนาสาวอาสาวนาสาวนั่นและฮ่ามดนะเป็นมารอมตลอดการอย่างงี้เห็นผมได้สลามจับมือได้เวลาเจอสมมติเจอ <c oughs> บางคนไม่เข้าใจไปเจอป้าป้าได้แท้เราอะ่ะป้าได้แท้เราจับมือเขาได้ไหมทําไมยังไม่ได้ล่ะป้าเราจับได้เข้าไปในบ้านป้าเราเนี่ยต้องให้ป้าคุมหัวไหยไม่ต้องเข้าไปเลยเหมือนแม่เราเนี่นแหละเนี่ยผมเนี่คือมารอมตลอดการเห็นหัวเขาได้หมาถึงเห็นหัวหมถึงเขาไปโดนคุมหัวอ ย, อยู่กับเราได้สลามจับมือได้เนี่ยเนี่ยที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยคือผมว่าไอ้เรื่องไปแต่งงานคงนะไม่มีใครแต่งหรอกแต่ มันคือเรื่องที่เป็นมารอมตลอดการเราสามารถที่จะอยู่กับเขาในบ้านได้และเป็นมารมให้ได้หมดเลยเนี่ยฉันได้เป็นมารมให้ได้หมดเลยเนี่ยที่พูดมาเนี่ยแม่ฉันน้องลูกสาวอะไรเนี่ยนา้าอะไรเนี่ยผู้หญิงเนี่ยน้าสาวฉันก็เป็นมารอมให้ได้หมดเอาหลานเป็นมารอมได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ใครอีกวะบานาตุลอุกวะบานาตุลวะบานาตุอัคีวะบานาตุลอุกตี เนียเยอะบุตรผู้หญิงของพี่น้องของพระเจ้าหลานเราไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้อ ง, องหลานเราอะเราเนี่ยเพราเป็นลุงแล้วลูกลูกสาวลูกสาวของน้องชายฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมเออลูกผู้หญิงของพี่น้องของเจ้าไงฉันมีพี่น้องใช่ไหมแล้วนะลูก แล้วก็แล้วเขาก็ไปแต่งงานแล้วเขาเท่ากับฉันนั่นเป็นลุงอะไรเงี้ยเป็นลุงอะ่ะไม่ได้เอาเอาหลานมาทาเมียไม่ได้ห้ามแต่ลูกพี่ลูกน้องได้งงไหมลูกพี่ลูกน้องเขาสถานะเดียวกันไงลูกของลูกเนี่ยไอ้เราเป็นสถานะเป็นลุงเป็นป้าแล้วเขาเป็นหลานแต่แต่หลานกับหลานนะ่ะได้กันได้ใช่เนี่ยลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมาตลอดนะ พอโตมาปั๊บเป็นมารอมนะไปไปไปไปเห็นหัวกันไม่ได้นะซาลามจับมงจับมือไม่ได้บางที่จับมือกันเละเทะไปหมดเลยลูกพี่ลุงน้องฉันเห็นบางบ้านกอดกันด้วยเป็นลูกพี่ลุงน้องกอดกันเป็นสาวแล้วนะบาปพราอะไรพ่อะนิก้ากันได้มองคนบอกก็เกิดเลี้ยงกันไหมต้องเลี้ยงมาด้วยกันก็เลี้ยงกันมาก็เลี้ยงกันมาดีแต่ว่าอิสลามบอกนิก้ากันได้เช่นลูกของฉันเนี่ยกับลูกของ ลูกของน้องสาวฉันเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นแต่งงานกันได้อืมแต่ถ้าตัวเราเนะี่ยไม่ได้เพราะเราเป็นลุงเนี่ยเห็นไห้เอาเราบอกไว้อแล้วก็บุตรตรีของพี่น้องสาวของพวกเจ้าก็นั่นแหละทั้งผู้ชายและผู้หญิงเขาจะมีลูกก็เราก็เป็นเป็นลุงเป็นเป็นน้ำบนบนเลยมารดาของพวกเจ้าอ่ะสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะ ว่ามินนีส์อะสุดท้ายนี้เขาบอกว่าว่มอุหมะตุกุมอัลลอีอารดะนะคุมใครเนี่ยมารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้ามารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่พวกเจ้าแม่นมแม่นมแม่นมไปกินนม ไปกินนมเขา <c oughs> กลายเป็นแม่เลยห้าอิมไปกินนมเขาห้าอิมผู้หญิงคนนั้นกายเป็นม้าเราเลยอแม่นมก็ได้แม่นม น, นะมุกกรมีเยอะครับเพราะว่ามุกกรเขาฝากลูกกันเนี่ยไม่มีนมผงอะ่ะก็ฝากฝากกันและอีมุมนึงเนี่ยบางครั้งใช้กดตรงเนี้ยในการทําให้เด็กเป็นพี่น้องกันได้ ให้มากินนมกันเพราเด็กเป็นพี่น้องกันพอเป็นพี่น้องกันก็ห้ามนิกาแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ต้องคุมหัวได้เพราะว่าการเป็นพี่น้องร่วมดื่มนมเหมือนกับพี่น้องแบบในสับเลยอันเดียวกันเลยกินนมเต้าเดียวกันบางบ้านเนี่ยทำไมทำไมทำไมเขาลูกลูกลูกลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันไม่ได้พรอกินนมคนเดียวกันแต่งงานกันไม่ได้ละเพราะกลายเป็นแม่คนเดียวกันเนี่ยกินนมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยกินนมกับแม่คนเดียวกันกลายเป็นพี่น้องกันเลย กต็ต้องต้องระ ว, วังเรื่องนี้ด้วยนะแต่เดีนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่ามีนมผงแล้ว่ให้กินนมกันหรอกแต่วันนั้นมีคนถามฉันเขาบอกว่าจะน้องสาวหมดนมเรื่องไงไม่รู้แล้วพอดีเขามาฝากลูกจะให้นมกินได้ไหมเขากลัวบาปเขาบอกให้ให้ได้นะให้เลยแต่ว่าต้องจําไว้นะว่ากินกี่อิมแล้วกินห้าอิมปั๊บกลปนพี่น้องกันเลยนะเออบางคนไม่รู้ให้ได้เ อ, อต่อมา พี่น้องหญิงของพระเจ้าเนื่องจากการดื่มนมคนละพ่อคนละแม่เลยแต่มีแม่มีแม่นมคนเดียวกันก็กลายเป็นพี่น้องกันเมื่ออยู่ครั้งหนึ่งสมัยท่านรสูลอันนี้ก็ถือว่าเสียใจเนะแต่ว่าด้วยกฎศาสนาผู้หญิงผู้ชายรักกันและไม่รู้ไงว่าว่ามีแม่นมคนเดียวกันนี่กล้ากันแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าหอความไปถึงท่านอบีมีคนจําได้ไว่า ตอนอเด็กๆไอ้สองคนนี้เขาแม่นมคนเดียวกันนบีก็เลยตามแม่นมมาพอตามแม่นมมาก็แม่นมจําได้ดิจะเลี้ยงมาก็บอกว่าเป็นนบีก็บอกว่าอ๋อนี่กลากันไม่ได้แล้วต้องเยอะกันกลายเป็นพี่น้องกันเออแต่ตอีเด็กมันจำไม่ได้หรอกแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องบอกเพราเด็กไม่รู้แล้วก็ <c oughs> ใครเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยก <c oughs> ุ่มๆในอะไรเยอะเลยนะแล้วก็ เอพี่น้องกเดีมารดาภรรยาของของเจ้ามารดาภรยาของเจ้าใครแม่ยายเราดิใช่ไหมมารดาของภรยาไม่ยายฉันไงไม่ยายฉันฉันไม่ได้แล้วแสดงว่าฉันเนี่ยจับมือไม่ยายได้ไหมจับได้จับมือไม่ยายได้ด้วยแล้วก็เพราะว่าผมจําไว้เลยนะถ้าถ้าเป็นม้ารอมแบบห้ามนินักนิก้าตลอดกาลเนี่ยเห็นผัวได้ อยู่หน้าแม่ามมมายายไม่ต้องคุมหัวได้แม่ยายนี่อยู่กับลูกเขยไม่ต้องคุมหัวได้เนี่ยเนี่ยเลิกศาสนาเนี่ยไหมแล้วจับมือแม่ยายได้วันก่อนแม่ยาย ฉ, ฉันจ๋ยังไปสลามนี่ก็จุบเลยเอหมจุบแบบม้านะไม่ชุบจุบแบบชุบ ม, นะ ม, ม้านะแบบม้าจุบเราจุบม้าเออแม่ยายกับลูกเขยนี่เขาถือว่าเป็นมารอมตลอดการนะแล้วก็ลูกเลี้ยงของเจ้าลูกเลี้ยงของเจ้าที่อยู่ในตัก ของเจ้าจากภรรยาตรงเนี้ยมันเป็นสำนวนอาหรับพึ่งเลิกสามีเพึ่งตายมาตายมาสี่เดือนสิบอ่าสมมุติพึ่งคลอดมาตายไปมีลูกเด็กๆมีลูกแดงๆอยู่เราก็เอาเอามาแต่งเอามาแต่งงานสิแต่งงานกับแม่เขาแล้วลูกนี้เขาเรียกกลายเป็นลูกอะไรลูกติดภรรยามาลูกเลี้ยงอ่ะลูกติดภรรยามากลายเป็นลูกเราเลย ห้ามนิกาตลอดการนะจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็แล้วแต่นะต่อให้คุณไม่เลี้ยงในสมมุติเราไปได้แม่เขาแต่ลูกเขาเป็นสาวเลยไม่เคยเลี้ยงเลยนะถ้าได้เขาแม่เขาแล้วเนี่ยจบแล้วเลิกกับแม่เขาไปจะเอาลูกต่อได้ไหมไม่ได้แล้วห้ามเลยกลายเป็นลูกเราสแสดงว่าลูกเลี้ยงก็เห็นหัวได้นี่ไงเห็นหัวได้สลามจับมือได้แต่ต้องนิด น, นึงนะลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงก็ต้องมีระยะห่างนิด น, นึงแต่ด้วยศาสนา โดนเนื้อโดนตัวได้แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมันจะน่าเกียดต้องดูเรื่องไอเฟด้วยไม่เหมือนลูกเราแต่ถ้าเลี้ยงกันมาตโตเนี่ยมันจะผูกพันกว่าแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงกันเลยอ่ะมึงคิดดูเดีมาเป็นสาวเลยแล้วมาแหมมาใกล้ๆชิดเรามันก็มันด้วยความคืนจริงๆร่งมันมทารอมแต่งงานแต่ด้วยความไม่ชินเนี่ยบางทีมันกว่าจะปรับความรู้สึกมันลําบากซึ่งต่างกับที่เลี้ยงกันมาแต่เด็กเด็กเห็นมาแต่เด็กเนี่ยมันเห็นเป็นลูกแต่ถ้าเห็นโตมาโตเลยบางที ต้องระยะบินระยะห่างนิดนึงนั้นกูร่างยังบอกว่าอยู่ในตักแต่ถ้าโตแล้วก็ห้ามเหมือนกันแต่ก็ต้องมีระยะห่างนิดนึงไม่ใช่แหมเอามาหอมเอามากอดใหญ่เลยแล้วก็บอกไม่เป็นไรเรายีก็เราห้ามเดี๋ยวดูไม่ค่อยไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่อ้าวต่อมาใครเนี่ยจะจบแล้วนะของพวกเจ้าได้สมสู่กับนางคืออย่างนี้แปลกม ลูกเล like oney, ี้ยงเนี่ยจะนับว่าห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามนี่ไม่ได้แต่งงานและห้ามเลยเราบอกไว้นะต้องดะคอนหมายถึงต้องมีการร่วมหลับนอนกับแม่เขาก่อนถึงจะห้ามแต่สมมุติว่าฟาลาจุนาฮาอะไรถ้าฟาอิลลัมตะกูดะคอนตุ่มบีหินนะฟาลาจุนาฮาอะไรกุ้มแต่สมมตินิก้ากับแม่เขาไปแล้วปรากฏนิก้าไปเสร็จยังไม่ได้เข้าหอกันนะ นิกายอยู่ปับ๊บลูกมาจากต่างประเทศจากจังหวัดมาโอ้โหลูกสวยกว่าแม่เวลูกสวยกว่าแม่ผ่านแล้วอเอาไงาดีเลิกแม่เลิกแม่เลยเปลี่ยนเอาลูกอันนี้ยังได้ทำไมยังได้อะเพราะยังไม่ได้กับแม่เขาเนี่อยู่ในกุฎอานะแต่ถ้าเข้าหอไปแล้วจบไม่ได้คืออย่างนี้เขาบอกว่าแม่เสียสละให้ลูกได้ แม่เนีเสียสละให้ลูกได้ศา ส, สนาจึงบอกว่าอนุญาตถ้ายังไม่ถึงขั้นไปหลับนอนแต่ถ้าหลับนอนแล้วจบแต่ถ้ายังไม่หลับนอนปรากฏว่าลูกก็บอกมะถึงก็อยากได้เหมือนกันให้ฉันเธออาสาวบา้านที่จะอเ ส, สียสละแม่เสียสละให้ลูกได้อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าศาสนากําหนดเอาไว้แบบนี้แต่ตรงกันข้ามกับกรณีแม่ยายไม่เกี่ยวแม่ยายในจบเลยห้ามเดี๋ยวนั้นแหละนิก้าปั๊บกลายเป็นแม่เลย จะหลับนอนกับลูกสาวเขาไมหลับนอนไม่เกี่ยวนิก้าปั๊ปรับนับเลยแม่ยายแต่แต่ลูกเนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอ่าเพราะลูกไม่เสียสละให้แม่หรอกต่อตามกดว่าลูกไม่เสียสละให้แม่ไรแต่แม่เสียสละให้ลูกได้อ่วาว่าฮายลาอูลอับนาอีกุมุลละดีมินมินอัสลบิคุมและภรรยาของบุตรของพวกเจ้าที่มาจะเสื้อสายเดียวกัน หมายถึงอะไรเนี่ยเขาหมายถึงพวกเราเนี่ยฉันได้มีลูกโตแล้วลูกไปมีเมียแล้วเราก็ต่อเราก็จะเอาภรรยาของลูกเราอะมาเป็นภรรยาไม่ได้และก็กลายเป็นม้ารอมด้วยอ่าเป็นม้ารอมด้วยนะหมดเลยเนี่ยไล่หมดแล้วเนี่ยแล้วก็การที่พระเจ้ารวมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองนี่ก็บอกต่อและห้ามรวมกันนะก็เดมาซาลับเว้นแต่ผ่านไปแล้วหมายถึงว่าเลิกใครคนใดคนหนึ่งหรือตาย อินนัลลอฮะการ์กอฟูรัดราฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตานะครับก็สิบเอ็ดโมงพดีแต่นิดนึงนะมีเรื่องอยู่ว่า อ, อมีเรื่องอยู่ว่าอะไรผมถึงไหนลูกบุญธรรมไม่นับนะลูกบุญธรรมเนี่ยผมจะเขาเขียนไว้นิดหนึง่งลูกบุญธรรมแปลว่าอะไรไม่ใช่ลูกติดลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมแปลว่าลูกที่เอามาอุปการะแล้วอุปอะไรนะ <c oughs> เหมือนลูกแต่ไม่ใช่ลูกลูกคนอื่นเลยแล้วเอามาเลี้ยงเช่นเจดเจดเนี่ยบินฮาริซานบีไปซื้อมาเป็นทาสแล้วปล่อยเป็นไทยแล้วก็นับเป็นลูกเลี้ยงนบีคิดว่าเป็นลูกเลี้ยงคือสมัยก่อนนยาฮิลิยาเนี่ยเปลี่ยนนามสกุลด้วยเรียกว่าเจดบินมุฮัมมัดแล้วก็ยกมรดกให้ <c oughs> เข้าใจเหมือนลูกแท้ตอนหลังอิสลามห้ามห้ามปกปิด ต้องบอกเขาพ่อแม่เป็นใครแต่ละอุปการะได้ดังนั้นถ้าลูกเลี้ยงเนี่ยแต่งงานและเลิกกันไปภรรยาของลูกเลี้ยงไม่ห้ามเพราะนบีแต่งงานกับไซนับบินตียาชินซึ่งเป็นภรรยาของเจดคนอาหรับโวยกันใหญ่เลยว่านบีเนี่ยนะเอาเมียเอาเอ า, เอาภรรยาอะไรนะไปแต่งงานกับภรรยาลูกแต่จริงๆเจดไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นลู ก, เ ป, ลกเป็นลูกบุญธรรมซึ่งไม่ได้ห้าม อันนี้เป็นการทำลายกฎที่อาหรับย่ายริยะวางเอาไว้นะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอุมมีอุมมีฮะบีบะกับอิชชาบินตีบิสุบยานอุมมูฮบบบินบินบิสุบยานเนี่ยมาแต่งงานกันกนบนาบีแล้วก็ไปเล่าให้อิชอชาอิซึ่งเป็นน้องสาวฟังอยากจะให้เธอเนี่ยได้รู้สึกอะไรนะกับฉันเป็นเป็นเป็นครอบครัวเดียวกัน ก็เลยไปทาบทามให้อิชชาเนี่ยมาเป็นภรรยาอคนหนึ่งนบีนบีบอกว่าต่อให้เธอปฎิณหายังไงก็ไม่ได้เพราะอิสลามห้ามที่จะมีภรรยาที่เป็นพี่น้องกันเห็นไหมเออนี่คือความที่ผู้หญิงเขารักกันนะเขาอยากให้น้องสาวเนี่ยมาเป็นภรรยานาบีคนหนึ่งแต่นบีแต่งงานกับพี่สาวไปแล้วสิทธิ์นั้นเป็นของพี่สาวแล้วน้องสาวไม่มีหมดสิทธินะอันนี้ก็ด้วยประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้าก็มาต่อกันนะอิชอาลลอฮ์นะครับซุบฮะ Kujust mai lah, s u b h a n a k a l l a h u m m a h ubi hamdika. a ş h a d u a n l a i l a h a illa anta a s t a g h f i r u k a و َ ت u س l a َ م ُ ع َ ل a ي ْ ك ُ a ْ و َ ر َ ح ْ a َ ة ُ اللَّهِ و َ ب a ر a ك a ا ت ُ ه ُ